จเจริญพรท่านสาธุชนพุทธบริษัทผู้ฝ่ายธรรมทุกๆ ท, ท่านวันนี้เราก็มาพบกันอีกครั้งเพื่อมาสุนทนาธรรมถามตอบคําถามเกี่ยวกับการปฏิบัติทานศีลภาวนาท่านที่สนใจอยากจะมาล่วงก็ขอเชิญเข้ามาได้อวันนี้เราก็มาที่เด็กชายพีเคก่อนเช่นเคยสักกันกพ์ครับอาจารย์น้ามาสักการ์พ์คระอาจารย์ เป็นไงพี่เควันนี้ไบโรงเรียนหรือเปล่าไปครับพ่าจันนั่งดีดีไปทําอะไรบ้างทําอะไรละ่ะจะจะไม่รู้หนูเหรอนั่งดีดีสิค่ะอือเรียนหนังสืขขอครับพ่อจันเรียนอะไรวันนี้เรียนอะไรอือเรียนนมทคบพ้าจัย์เอระดับไหนบวกลบคูณหาร อืบวกลบครับบวกลบเลยสองสองลบสองอได้เท่าไหร่เดือจำไม่ได้แล้วครับ <laughs> <laughs> มีมีคะแนนสองคะแนนจะจำหักไปสอ ง, นนงคะแนนเหลือเท่าไหร่คะเทียดเลยคะ่ะว่าจะ <laughs> อา่าเหลือศูนย์ใช่ไหมใช่ไหมมจากศูนย์ไหมเชื่อข้อพยานอ่าเราได้ศูนย์บวกสองได้ใช่ไหมศูนย์สองครับอใช่ได้ใช่ได้ได <c oughs> แต่เราเรียนจริงอา้ามีคำถามอะไรไหมดวงตาถาม <c oughs> ถ้าเราลืมนั่งสมาธิเดี๋ยวว่าเราหลับไปแล้วแล้วคุณจะทําไงดีอะครับก็ต้องลองโทษตัวเองหากท า, ข า, ขานขนมไม่กิน <c oughs> ไม่กินขนมหนึ่งวันได้ไหมอืมแล้วก็แบบว่าถ้าคอนโทรสติไม่ได้แต่ว่ามีสมาธิควรจะทําไงครับอ๋าก็ต้องใช้พุทธโธพุทธโธเดินกลับมาท่องพุทธโธพุทธโธพุทโธถ้าอยู่ที่โรงเรียนแล้วก็ลืมไปละครับ ก็เอาไปจากบ้านก็เอาไปเอาไปด้วยเลยก่อนจะออกจากบ้านก็พุโทโธก่อนเลยอ๋อก็ใจแล้วครับพระอาจารย์อนะเวลาออกจากบ้านก่อนจะออกจากบ้านก็เอาพุโทโธไปด้วยหมอพุโทโธอยู่ไหนเอาพุโทโธอยู่ในใจอนะาตั้งพุโทโธพุโทโธไปเนี่ยพออยู่ที่โรงเรียนต้องการพุโทโธก็สามารถเรียกพุโทโธขึ้นมาได้เข้าใจไหมเข้าใจแล้วครับพระอาจารย์ อเคมีพุโทโธแล้วจะไม่วิ่งหนีออกจากห้องเรียนแล้วใช่ไหมโอเคมีค okay. ำถามเพิ่มไหมคะไม่มีแล้วครับอ่าไปนอนได้นะอาการพรอาจารย์กันงงอากาศน้ำมันครับพระจ่าอันที่นี้ไม่มีคำถามค่ะวันนี้เยี่ยมมากเลยมัมกจะซิทถามค่ะว่าวันนี้หนูเป็นไงบ้างอ่าค่ะ ใช่ค่ะอาจารย์ทัดขันแข็งแรงนะคะอาทิตย์นี้ตามข่าวทั้งอาทิตย์เลยค่ะอ่อก็เรื่องธรรมดาเนยเก็ฟังไปไม่ต้องมีอารมณ์ฟังไปเรื่อยๆอมันมีทั้งดีมีทั้งไม่ดีปลกเงินไปมันก็ดูดูถึงประโยชน์ที่ได้ทำมามันก็ไม่ใช่น้อยใช่ไหมค่ะอาะจารย์อืมตอนช่วงนั้นมีใครทำบ้างไม่มีใครทำทุกคนมีก็ทำคนเดียว ค่ะค่ะนใช่ไหมใช่ค่ะยังก็ต้ให้ความเป็นธรรมกับเขาด้วยดีก็ส่วนดีไม่ดีก็คือส่วนไม่ดีใช่ไหมใช่มันก็อาจจะผิดพลาดไปหรืออาจจะไม่เข้าใจหลักกฎหมายก็ได้ค่ะใจันนี่มันก็เป็นเรื่องที่สามารถที่จะอธิบายได้ถ้าถ้ามีความสุจริตใจนะค่ะถ้าไม่มีเจตนาที่จะชอบโกง อาจจะไม่เข้าใจเรื่องกฎหมายอย่างละเอียดก็ไม่พูดมากดีกว่าเดี๋ยวจะหาว่าไปเป็ น, <c oughs> เ, ปนเป็นทวนตัดสินคดีอะไรไปค่ะพระอาจารย์แต่มันก็มองได้หลายแง่หลายมุมได้กันค่ะโอเคก็อย่าไป <c oughs> อย่าไปมีอรมารมณ์แล้วกันดูไปเฉยๆไปค่ะพะอาจารย์ูไป ค่ะนำนำไปปฏิบัติเจ้าค่ะถ้าเราอยากให้มันเที่ยงแท้แน่นอนมันไม่เป็นเราก็จะทุกข์ใจขึ้นมาค่ะเลือกแต่สิ่งที่ดีแล้วก็สิ่งไม่ดีก็ละวางซไม่ทาไม่ทาแบบนั้นนะคะค่ะพระอาจารย์ให้พระอาจารย์ท่านแข็งแรงนะเจ้าค่ะยังไม่มีโอกาสไป ชนบุรีเลยค่ะเดือน2เดือนนี้ทำบุญที่ไหนก็ได้นะอย่างที่บอกแต่ก็ฝากร้านพี่เขาตักบาตทุกวันพระแล้วก็วันพุธค่ะพระอาจารย์กับนวมัสการเจ้าค่ะโอเคสจมูกจะเจริญต่อทำกรอบนวมัสการพระอาจารย์ครับ อือเั็นยังไงครับวันนี้มาสมกันบ้านแล้วก็รายงานการนั่งสมาธิด้วยครับเอาว่ามารายงานก่อนครับตอนนี้นั่งสมาธินั่งทุกวันเลยครับตอนนี้ปรับเวลาใหม่เป็นนั่งหนึ่งทุ่มถึงทุ่มสี่สิบครับจะได้ไม่หลับครับอือเมื่อก่อนนั่งกี่ทุ่มประมาณสองสาทุ่มครับอืมแล้อดีขึ้นะหมตบดีนะ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 คือว่าเราจะต้องพรัดพรากจากของรักของเจริญใจทั้งหลายทั้งปวงเรามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแนนเอิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยเราท่องกรรมบรรไดไว้เป็นบุตรเป็นบาปเราจะเป็นทายาทคือว่าเราจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นสืบไปเราทั้งหลายคนวรคิดมาอย่างนี้ทุกวันทุกวันเถิม ร่างกายของเรามีอะไรบ้างมีผมผมเล็บปันหนังเ้อ็อ น, ร น, นกระดูกเยื่ในกระดูกม้ามหัวใจตับถังผิดไตปอดไส์ห่ไสน้อยอาหารใหม่อาาเก่ายื่นในสองที่ซน้ำดีน้ำสเสร็จน้ำเดือง น้ำเลือดน้ำเนื้อน้ำมันข้นน้ำตาน้ำมันเหลวน้ำลายน้ำหน้ำไข่ข้อน้ำมูดน้ำมูดน้ำไข่ข้อน้ำหมูน้ำลายน้ำมันเหลวน้ำตาน้ำมันข้นน้ำเนื่อน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำเสลต์น้ำเกลืเกี่ในสองศีรษะอาหารเก่าอาหารใหม่ ไส้น้อยใส้ใหญ่ปอดใต้ผังผืนตับหัวใจมาม่วงเนลก้กระดูกกระดูกเน้นเนื้อหังฟันเล็บขอ่าจำไว้นะจำไว้จะวันตายเลยนะครับอ่าแล้วจะมีมีธรรมโอสถรักษาใจไม่ให้ทุกข์อครับทำไมทุกข์กับแฟนนะี่ พ่อจะไม่มีแฟนอ่าจะไม่มีลูกอับสบายถามแม่จะมีลูกก็ไม่มีลูกกันไหนดีกว่ากันไม่มีอืมอืมถ้าไม่มีแฟนก็จะไม่มีลูกเนีครับถ้ามีอาการฐานที่สองก็จะไม่มีแฟนเนีครับดีไหมตัดปัญหาไปเยอะเลยครับดี ไม่ดีได้มาบวช ด, ด้วยไม่รู้จะอยู่ไปทไําไมทำไมมีแฟนแล้วก็อยู่ไปทําไมมาบวชเป็นพระ ด, ดีกว่าครับใช่ไหมใช่ครับออมาทำความสุขจากการนั่งสมาธิดีกว่าครับอโอเคมีคําถามอะไรไหมครับไม่มีครับโอเคง่านๆทานนี้ก่อนนะครับกลับขอบพระคุณพระอาจารย์ครับน้องทิมต่อมา มาสแกนครับอาจารย์ทีมก็มามาพยายามนั่งให้ได้เหมือนเดิมทุกวันครับไม่ให้มันพยายามให้ไม่ให้มันน้อยลงตอนนี้ก็คือที่ประมาณตอนนี้นั่งได้ประมาณแปดเอ่อเก้าถึงสิบนาทีครับถึงหรอถึงแล้วหรอเกิบนาทีครับนั่งแบบไหน ถ้าแบบมีพูดโธเปล่ามีพูดโธครับอ่ไม่ไม่หยุดนะพูดโธไปเรื่อยๆนะอ่าออ่านี่ตอนนั้นก็พยายามพูดโธตลอดครับนนิ่งไหมนิ่งมากกว่าเมื่อก่อนครับแล้วสบายใจไหมรู้สึกสบายใจมากครับโอเคดีมากครับยังจะทําต่อไหมทําต่อครับอ่าเนี่ยมีอะไรจะถามไหม ไม่มีครับท่าทาการทาที่สองได้หรืยอยังต้องไปตั้งกับลององขาไปได้พอได้นะลองได้หมลูกลองไหมขอลองได้ไหมครับอา่าลองดูว่าผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้าหัวใจปักพังผืดไตเสียอ่ะออก่อน เสยใหญ่สยน้อยอาาใหม่อาหารเก่านเยื่อสมองีสันน้าดีน้าเสลน้ำเหลืองน้าเลือดน้ําโคน้าเงอน้าเงอน้ามันต้นน้ำข้นน้ามูกน้าลายกน้ําลายน้ามูกน้ามูกน้าไข่น้าไข่ข้อน้ำ อ่าอ่าเกือบแล้วอ่าทําต่อไปนะครับอ่แล้วพอได้ไปแล้วต้องท่องกลับด้วยนะครับอ่าเพราะท่องกลับจะต้องใช้สติมากขึ้นไงใจจะได้นิ่งมากขึ้นอันนี้ถ้ากขาจะนิ่งมากนะเวลาที่เขาท่องสักการะท่านที่สองนี่อ่ะค่ะพระอาจารย์ก็เขานิ่งขึ้นนิ่งขึ้นเยอะเลยค่ะพระอาจารย์อมีสติแล้ว งั้นน่าสมาธิถ้าไม่เบื่อพุโทโธลองท่องอาการสามสิบสองก็ได้แทนการแทนกันได้ครับนะลองผ ม, มขนนฟันหนังเนื้อ เ, เอ็นกระโูไปแทนพุโทโธก็ได้อาจจะอาจจะนั่งได้นานกว่าด้วยซ้ำไปเพราะมันไม่เบื่อครับนะลองดูนะใช่ครับโอเคแมนะ่ไม่มีคำถามค่ะอาจารย์ ่ก็อขอบพระคุณพระอาจารย์มากเจ้าค่ะขอให้พระอาจารย์ท่านแข่งแข็งแรงนะเจ้าค่ะเจ้อค่ะ น, น้องพี่ต้องพี่ท่องการทายสองได้แล้วใช่ไหมยังไม่ได้ค่ะยังไม่ได้เนื้อต้องานแล้วทํานอะไรอยู่ได้อย่างเดียวค่ะต้อ่องก็แบบท่องอยังติดติดขัดขัดอยู่บ้างว่าดีไม่ได้ไม่ไม่ได้ท่องแบบจริงจังค่ะช่วงนี้พอดีช่วง ช่วงอาทิตย์นี้วุ่นวายเยอะแยะไปหมดเลยค่ะวันวันนี้มีอะไรเล่าให้หลวงตาฟังครับนี่ฮะยังไม่ได้กราบหลวงตาเลยอันนี้หนูได้ไปเข้าเข้าไปสอบเข้าโรงเรียนดารุณศิขาอะไรคร่ะสอบได้ไล้อยังเพิ่งเพิ่งสอบอยังไม่รู้ผลใช่คับแล้วก็ แล้วก็มีเพื่อนมีน้องที่จินดามาสอบที่นี่เหมือนกันเป็นน้องเรียนอินเตอร์เหมือนกันนะได้ค่ะที่ที่ตรุนไม่ได้เป็นอินเตอร์ค่ะแต่เป็นแบบภาษาบายเลนเกิเหรอถภาษาค่ะแต่ว่าเป็นโรงเรียนบูรณาการแบบว่าแบบบูรณาการแบบเต็มร้อยเลยค่ะอืมค่ะแล้วตอนนี้เรียนอยู่ที่ไหนปัจจุบันจินดามณีค่ะจินดามณีเป็นเหมือนกันเนหะบาเลนบากิเหมือนกันนะ เป็นจินตอนนี้เขาเปลี่ยนเป็นแค m b r i ร g e มาประมาณสี่ปีแล้วค่ะอ๋อเป็นอินเตอร์นะก็มันมีอินเตอร์ผสมกันเพราะว่าเด็กต่างชาติเยอะค่ ะ, ะแต่ว่าพีเนี่ยครูเขาไม่อยากให้น้องพีเรียนอินเตอร์เพราะว่าภาษาไทยอะค่ะภาษาไทยกลัวจะไม่ได้เพราะว่าเด็กอินเตอร์เนี่ยเขาภาษาไทยเนี่ยเขาจะเริ่มแบบเบสิกมากค่ะครูเขาก็กลัวว่า มันมันจะแบบอ่อนเกินไปเขาก็เลยไม่อยากให้น้องเรียนเป็นแบบอินเตอร์ไปทั้งหมด ค, <น S 1> ค่ะเขาเลือกได้น้องพีมีสองแบบเลยใช่ค่ะแต่เขาอันนี้ต้องยากโรงเรียนทําไมเพราะว่าอยากจะเรียนอยู่อีกองเรียนหนึง่งเลยคือหนูมองว่าสองสองปีหลังตั้งแต่น้องพีเอามือถือไปโรงเรียนนะคะอืม มีช่วงเวลาที่เขาสามารถเอามือถือมาเล่นเกมหรืออะไรได้ uh, ซึ่งหนู uh, มองว่าคือความสามารถของเขาอะ่ะเขาเขาเขาสามารถเพราะว่าเขาเป็นเด็กที่มีจินตนาการเยอะทาเกี่ยวกับพวกสร้างนูนสร้างนี่เพราะว่าเกี่ยวกับพวกไฟฟ้าวาดรูปหรือว่าประกอบอะไรอย่างเงี้ยค่ะ uh huh. อการเป็นว่าโรงเรียนก็ไม่ได้สับพอ เขาก็เลยมีความรู้สึกแล้วแล้วหนูก็เลยเห็นว่าเออถ้าให้ลูกอยู่ที่เนี่ยนานๆเนี่ยคือ EQ IQ ของเขาคงจะแบบดับลงจากที่เขาแบบมีเยอะพอได้<ม>ไปโรงเรียนมันมีช่องว่างระหว่างระหว่างเรียนแบบเนี้ค่ะมันก<ม>็เขาแบบว่าคือไปโฟกัสต ร, ตรงนั้นเพราะว่าพอเพื่อนเล่นเขาไม่ได้เล่นเพื่อนก็จะแบบมาบูลลี่พูดจาไม่ค่อยโอเค<ม>เขาก็เลยต้องต้องทําให้เหมือนเพื่อนเพื่อจะเข้ากลุ่มกับเพื่อนได้ หนูก็เลยมองว่าคือย้ายดีกว่าให้เขาไปอยู่กับในสิ่งที่ที่เขามีความสามารถทางด้านทางด้านนี้ค่ะอืมกันยัง ไ, ไงเลยโรงเรียนโรงเรียนบูรณาการนี่จะเป็นโรงเรียนที่เน้นทาโปรเจกต์ค่ะอ๋อค่ะเน้นทาแบบพวกโครงงานคล้ายๆแบบเด็กมหาลาัยแบบนี้ค่ะอืมค่ะก็คือเรียนเรียนก็มีค่ะแต่ว่าทำโปรเจกต์นี่จ ะ, ะวันพฤหัสกับวันศุกร์ค่ะ อืเรียนเรียนวิชาการก็มีค่ะภาษาอังกฤษก็มีภาษาไทยก็มีมแต่ว่าเขาจะเน้นแบบโปรเจกต์ก็คือเวลาทําทํางานเวลาถ้าจะจบแต่ละเทอมมันมันมีทั้งหมดสามเทอมค่ะออืมีมทําโปรเจกต์ก็คือจบจ บ, จบทีละทีละอันไม่งั้นก็คือจะไม่ผ่านอืออย่างมันมีการปฏิบัติด้วยใช่ค่ลงทฤษฎีเดือ ใช่ค่ะเพราะทฤษฎีก็ไม่ค่อยโอเคค่ะแต่ลงมือปฏิบัติเนี่ยเขาเขาจะมีความเขาเรียกว่าอะไรมีมีความคิดที่สร้างสารรค์มากโดยที่ที่จะทําทําได้หลายอย่างคอมพิวเตอร์ก็ทําได้เขียนโค้ดก็ทําได้วาดรูปก็ได้อย่างเงี้ยต่อเล่นลหาประดิษฐ์นู่นประดิษฐ์ได้เยอะแยะจนหนูก็ไม่รู้ว่าเออ ส, สรุปแล้วลูกเขาจะไปทางไหนเพราะเขาทําได้หมดเลยแต่เลือกเียนนี่เขาแบบ กลางๆค่ะภาษาอังกฤษนี่เขาก็ได้ภาษาอังกฤษนี่ก็<ๆ>ก็ก็ได้เยอะอยู่ค่ะแปะประมาณแปดสิบเก้าสิบบางทีก็ประมาณเก้าสิบกว่าอย่างเงี้ยค่ะภาษาหนูก็เลยว่าเออถ้าอยู่ที่นี่ต่อไปคงคงไม่พัฒนาทางด้านความคิดสร้างสรรค์ของเขามันจะเหมือนว่าถูกจํากัดกเลยไม่มีทักษะใช่หนูก็เลยอย า, ากใช่ใช่ค่ะ เขาจะให้หนูสอนลูกคงหนูคงไม่เก่งขนาดที่จะไปสอนลูกขนาดนั้นหนูก็แสตมป์โร ง, งเรียนที่แบบว่าน่าจะเหมาะสําหรับน้องอะค่ะแล้วเขาก็อชอบมากๆเลยค่ไปไป ะ, ะไปรับปะป๊าไปรับตอนเที่ยงไปรับตอนเที่ยงกลับมากินข้าวกินข้าวไม่ลงวันนี้กินข้าวเที่ยงไม่ลงบองไว้น้องพี่บ่ายแล้วกินข้าวไม่ลงก็ถามไปไ็นไรตื่นเต้นนะลูกเขาบอกครับตื่นเต้นก็เลยบอกว่าสอบเสร็จแล้วก็ทําใจให้สบาย ไม่ต้องตื่นเต้นเขาบอกเขารู้สึกเขาแบบเขาตื่นเต้นอยู่ตลอดเวลาแล้วเขาก็มีความสุขที่ที่ได้มาสอบที่นี่ได้แบบมีแอคทิวิตี้ได้ทําโครงงานสั้นๆเล็กๆให้ให้ครูประเมินนะคะที่นี่ก็ดีค่ะมีนักจิตวิทยาคอยดูเด็กด้วยนะคะ <S <S ไม่ดีค่ะแล้วเป็นโรงเรียนมีเด็กต่างชาติอยู่ด้วยเปล่าก็เอ่อ ต่างชาติในหนูก็ไม่ทราบว่ามีหรือเปล่านะคะเพราะว่าเห็นเห็นไ ม, ม่แต่ว่าโรงเรียนนี้เวลาเขาทำโปรเจกต์ทำอะไรเสร็จเนี่ยต้องพร<ม>ีเซ น, เนตนะ์เป็นภาษาอังกฤษค่ะค่ะเพราะว่าโรงเรียนดลุนสิขาไลนนี้อยู่ในมจทค่ะมหาวิทยาลัยบางมดอยู่ใกล้บ้านเป็นมหาทีนะเียนสาธินะใช่คล้ า, ค า, ยคายกันน่าจะคล้ายกันกนะคะก็คือเขาแนว<ม>วิศวะแนวอันนั้นเลยค่ะหนูก็ ให้เขาไปตรงสาขาดีกว่าหนูก็เลยว่าลองสู้สักตั้งหนึ่งเขาที่นี่ก็ค่าเขมก็ค่อนข้างจะสูงแล้วก็เข้ายาก อ, อถ้าเป็นการลงทุนนี่ดีการศึกษามันลงทุนแล้วไม่ขาดทุนเนอะได้ค่ะเพราะว่าถ้าเรื่องไฟฟ้าเขาทําอะไรพวกประกอบพวกอะไรเนี่ยหนูไม่มีความรู้ถ้าจะให้เขาแบบมาทําเองเลยเนี่ยมันอันอันตรายเดี๋ยวมันระเบิดเนี่ยมันช็อตขึ้นมา <c oughs> หนูก็เลยโดนช็อตหลายรอบแล้วแต่ก็แบบชิวๆฮะโดนช็อตเร่ามาม่าหนูโดนช็อตถึงแล้วลมามาลเสร็จแล้วก็มาหัวรอนหนูก็บอกครูดูเขาจะเป็นแบบว่าชิวๆกับการที่เขาทําอ่ะของที่บ้านกระดงกระดาษเออสติ๊กเกอร์หรือของที่แบบเหลือใช้เอามาประกอบมาเอามาไปทำเยอะแยะไปหมดหนูก็เลยมองว่าเออย้ายดีกว่าค่ะแต่มีไม่พอ บ้านเราอะค่ะก็เลยขอก็ให้มันอาซืใช่ <c oughs> ไอเดียบันเจิดโรงเรียนเขาก็ไม่ค่อยซัพพอร์ตอืมก็อาแนวกันเอาแนวกันค่ะ <c oughs> คือไม่ซัพพอร์ตอะไรเลยสักอย่างแม้กระทั่งเสียใจมากแค่ขอไขควงครูมาแบบจะขันรถเพื่อจะแบบว่าเขียนโค้ดต่อรถเขาก็ชอบประดิษฐ์ช็อบเลยครูบอกไม่ให้กลัวเดี๋ยวไขควงหัก <c oughs> น้องพีก็เลยแบบพูดไม่ออกเลย อืมเลยเสียใจมากเขาก็เลยแบบโอ้ยไม่ไหวละโอเคค่ะขอให้สอบได้กันแล้วกันนะอยากจะเข้าใช่ไหมถูกไหมคะลูะถู อ, อยากเข้ามากค่ะตื่นเต้นตั้งแต่ไปโอเพ่นเฮาส์แล้วมามา่มมามาม่าหนูขอลาออกแล้วเรียนที่นี่เลยได้ไห ม, มหนูก็เลยแบบ อ, อ้ไม่ได้เราจ่ายค่าเทอมทางที่โรงเรียนปัจจุบันไปแล้วค่ะก็ต้องเรียนต่อให้ให้จบก่อน จะปีหน้าไปเข้าใช่ไหมใช่เพราะว่าประกาศผลวันที่สองนี้ค่ะจะมาเดี๋ยว อ, อาทิตยามาแจ้งหลวงพ่อค่ะว่าน้องได้ไหมเพราะก็สัมภาษณ์คุณแม่ด้วยนะได้แล้วก็ต้องรอต้นปีหน้าได้ไหมได้ไหมนี่เทอมหเขาได้เลยค่ะพฤษภาค่ะอ๋อพฤษภาปีหน้านะใช่ค่ะใช่อสภาปีหน้าก็รอจบมหนึ่งก่อนค่ะคไปตอนมอสอง อย่าลืมไหว้พระสวดมนนะด้วยนะทั้งสมาธิด้วยนะอันนี้ก็สําคัญนะโปรเจกต์นี้ก็สําคัญนะใช่ใช่ใช่โปรเจกต์นี้สาคัญมากเริ่มทําพรุ่งนี้ครับวันนี้น้องพีเหนื่อยแล้วว่างนอนอ่ะต้องทำการสช้สองให้ได้เลยนะค่ะหลวงพ่อโอเคค่ะเมื่อวันทิตไปทําบุญทําบุญมานะคะหลวงพ่อเลี้ยงผัก ดีค่ะคุณงพออนุโมทนาบุญด้วยนะคะโอเคสาธุขอให้หลวงพ่อธาตแข็งแข่งแรงเจ้าค่ะอ่าอ่าคุณหมาใหม่จันเทบุลยกราบหลวงพ่อเจ้าค่ะวันนี้ก็มาฟังธรรมไม่มีคำถามค่ะหนูหายไปเดือนหนึ่งพอดีค่ะก็วันนี้ได้หยุดก็เลยได้โอกาสเข้ามากบบราบหลวงพ่อเจ้าค่ะอย่างปฏิบัติอยู่ ปฏิบัติอยู่ค่ะก็ช่วงนี้ก็ไม่ค่อยไม่ไม่ค่อยมีความทุกข์เท่าไหร่ค่ะแต่ว่าก็มันเหมือนกับว่าสิ่งกระทบมันเข้ามันเข้าไม่ค่อยไม่ค่อยถึงช่วงเดือนที่ผ่านมามีรู้สึกโกรธแค่ครั้งเดียวงค่ะที่ ท, ที่ที่ไม่ทันแต่ว่าแต่ว่าพอเห็นความโกรธแล้วมันก็มันก็ค่อย<ป> ค, อยคอยสลายไปใช่ค่ะ แต่ว่าหนูหนูหนูรู้สึกว่าพอเวลามันมันอยู่กับสมาธิอะค่ะจิตมันจะไม่ไม่ชอบพิจารณาอะไรไม่ชอบไม่ชอบดูดูการเกิดดับอะไรเงี้ยค่ะก็ถ้าช่วงสมาธิก็ปล่อยมันสงบไปถ้ายังไม่มีการจาเป็นก็ยังไม่ต้องไปพิจารณาก็ได้ตอนนี้ทาสมาธิให้ ม, มากๆก่อนก็ได้ได้เจ้าค่ะ เพราะว่าเราต้องพึ่งสมาธิเวลาเราพิจารณาทางปัญญาเวลาเกิดความฟุ้งขึ้นมาเราจะได้ใช้สมาธิช่วยหยุดมันได้เจ้าค่ะหลวงพ่อถ้าสมาธิเราไม่ ม, มีน้อยเดี๋ยวเวลาฟุ้งมขึ้นมาหยุดมันไม่ได้เจ้าค่ะยไม่ต้องกังวลตอนนี้ก็ติดสมาธิไปก่อนก็ได้ทำสมาธิให้มันแน่นให้มันมัน่นคงให้มันชำนานก่อนเจ้าค่ะหลวงพ่อ ทยางปัญญาคิดไปตามตามเวละช่วงไหนคิดได้ก็คิดช่วงไหนไม่คิดก็ไม่ต้องคิดไม่ต้องไปบังคับมันก็ได้เจ้ามันถ้ามันมนิ่งก็ไม่ต้องไปบังคับมันเจ้าค่ะถ้ามันไม่นิ่งมันก็คิดไปทางกิเลสก็ต้องใช้คิดเดี๋ยวมันกลับมาคิดทางปยายัญญาแทนเจ้าค่ะช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาที่มีข่าวก็ใจหนูไม่ได้รู้สึกทุกข์อะไรคะ่ะเพราะว่าบริจาคไปเยอะเหมือนกันค่ะ เป็นเรื่องธรรมดา่อืมมันก็คงไม่ได้ไปศูนย์ศูนเปล่าหรอกก็เขาเ้าไปใช้อาจจะไม่ได้ตรงจุดประสงค์เท่านั้นเองเพราะว่าจุดประสงค์มันอาจจะมากเกินไปก็ได้ใช่ไหมเขาก็เลย จ, จะคิดไปทําอะไรต่อให้มันเป็นประโยชน์ยังไม่ได้แบบเอาไปใช้แบบสมาร์ทไลท์เทมเปิลอะไรอย่างนั้นยังไม่มีข่าวมานะเจ้าค่ะก็น้ก็ติดตามต่อไปเรื่อง ก็มองในแง่ดีไว้บ้างก็ได้ะนะคะก็รู้สึกว่าที่ที่เคยช่วยช่วยงานก็มี ม, มีประโยชน์กับคนหมู่มากเหมือนกันค่ะแต่เพียงแค่ว่ามันอาจจะไม่ได้บริสุทธิ์ร้อยเปอร์เซนแล้วก็เราก็ไม่ได้ไม่ได้ไปทำบุญทางนั้นอีกพอความจริงปรากฏอะไรอย่างนี้ค่ะอ๋ะที่ก็อยู่การควบกลุมด้วยคนคนเดียวก็ จ, จะไม่สามารถควบกลุมทุกอย่างได้ ก็ไม่รู้นะก็เดี๋ยจะพูดก็อยากจะให้ความเป็นธรรมเจ้าค่ะก็ลองดูดูดูหลักฐานต่างๆกันแล้วกันเจ้าค่ะอแต่อยังไงกดแห่งกรรมมันก็แน่นอนกว่าถ้ามีเจตนาดีนมันก็มันก็เป็นเรื่องของเขาใจเขาก็ไม่เหนือยร้อนใจเขาก็ไม่ทุกข์ถ้าเป็นเรื่องไม่เจตนาไม่ดีใจเขาก็ทุกข์เองเจ้าค่ะ วันนี้ก็หมดคำถามแล้วค่ะโอเคได้ขอให้หลวงพ่อทาตขันแข็งแรงนะเจ้าคะ่ะสาจ้ะท่านต่อไปคนคนเซนนะเซน่ปยังไงไหมท่าการนมักนส ก, การหลวงพ่อนะคะวันนี้ก็วัดันครัาาง้งแรกมาส่งกันบ้านนะคะ ตรงนี้ก็เริ่มปฏิบัติจริงจังประมาณทำรูปแบบวันละส่งชั่วโมงเดี๋ยวก็เดินจงกรมกับนั่งสมาธิสลับกันแต่เวลาเดินจงกรมเนาะก็พุทโธพุทโธไปใจหนีไปแล้วไปคิดเรื่องอื่นก็สติรู้ทันกลับมาอยู่กับพุทโธจิตก็ไม่จดจ่ออยู่ที่เท้าก็เห็นร่างกายเดินอยู่ อืไม่มีใครไปเดินอะ่ะเหมือนนั้นมันขงยุนขงนยุนเดินอยู่เดินจองกรมอย่างนี้เคอถูกต้องไหมคะอาจารย์คะก็ถูกต้องคือใจอย่าไปคิ ด, ดเรื่องอื่นก็นแล้วกันนะให้อยู่กับอุโทโธให้อยู่กับการเดินไปเดี๋ยวตรงนี้ก็เดินเดินมากกว่านั่งสมาธิเพราะว่ามันบางทีนั่งสมาธิมันจิตมันว่างนอนแล้วก็ ม, มันไม่คิดอะไรอะ่ะมันว่างๆอะ่ะ ม, มันรู้สึกว่าสติยังรู้ไม่ทันอะ่ะว่างก็ดีนี่คือรนั่งสมาธิก็ต้องการให้จิตว่างให้มันเน่งให้มันสงบอ่ ะ, อะถ้าถ้าถ้าเดินจนกงกรมแบบนี้คือสมาทานหรือว่าเจริญปัญญาด้วยเจริญปัญญาได้นะคะคือเป้าหมายหลักตอนแรกก็คือต้องการให้เจริญสติ ใม้มีสติรู้อยู่กับการเดินไม่ให้สปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้เพื่อที่จะได้เอามานั่งสมาธิต่อนั่งสมาธิ ใ, ให้จิตจิตสงบเป็นสมาธิขึ้นมาก่อนเรื่องปัญญานี้เป็นขั้นหนึ่งยังไม่ต้องไม่ต้องไปถึงขั้นนั้นให้ผ่านขั้นสมาธิให้ได้ก่อนต้องนั่งสมาธิให้จิตนิ่งสงบเฉยๆได้เป็นเวลายาวนานก่อน เวลานั่งสมาธิต้องอดทนไหมคะหรือว่าถ้านั่งสมาธิแปลครึ่งชั่วโมงก็เจ็บปวดต้องอดทนหรือว่าต้องต้องใช้สติถ้าอยากจะผ่านความเจ็บปวด<ม>ก็ต้องหาดใช้คำบริกรรมแล้วนั่งเจ็บปวดก็ให้บริกรรมพุโทโธพุโทโธพุโทโธอย่าไปคิดถึงอาการเจ็บปวดแล้วเดี๋ยวถ้าเราอยู่กับพุโทโธไปแล้วเดี๋ยวจิตก็จะนิ่งแล้วจิตก็จะไม่ทุกข์กับการอาการเจ็บปวด ก็จะนั่งตอไปได้อ่าโอเคแลยวต่อไปนี้จะ ต, ต้องพยายามนั่งสมาธิให้มากมากกว่าก็ไปทางปัญญาต่อไปค่ะก็พ่อจะแนะนําให้นั่งสมาธิมากกว่าเดินจงกรมใช่ไหมคะก็เดินจงกรมได้ก็ได้เดินจงกรมให้มากมกแล้วค่อยมานั่งสมาธิให้มากมก็ได้แต่ให้ให้มันอยู่ในสมธาธิไม่ไม่ไม่ให้ไปคิดทางปัญญาอ๋อค่ะ ใช่ไหมให้ให้คิดแต่พุโทโธพุโทโธหรือคิดถึงการทางทิศสองอย่างไม่ให้ไปคิดว่าเ ร, เ, รเรื่องนั้นเรื่องนี้อย่าเพิ่งไปคิดตรนนี้ปั<ม>งการหยุดความคิดฝึกฝึกจิตให้หยุดความคิดให้จิตนิ่งสงบก่อนค่ะเข้าใจแล้วค่ะถ้เราหยุดหยุดจิ ต, แ, ตแล้วต่อไปเรากสั่งจิตให้คิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ได้ให้คิดถึงเรื่องตายรักได้อันนี้จิตเป็นยังไงทุกขขังเป็นยังไงอนัตตาเป็นยังไงอืมใช่ ตรงนี้ก็บางทีก็สงสัให้รู้ว่าอ๋อเราไม่ใช่ตัวตนก็ไม่มีใครอะไม่มีใครเดินอยู่อ๋อไม่ใช่ตัวตนแต่ว่าเนี่ยเหมือนมันเกิดว่ามันก็สังขารหมดล่ะคะใช่ไหมคะว่าเป็นผู้คิดเองใช่ความคิดเองแล้วก็เป็นผู้ผู้ผู้ภาคแค่นั้นเองแล้วก็สังเกตว่าออันนี้ก็เป็นสังขารเท่านั้นเองแล้ต้องไม่คิดว่าเราปล่อยวางมันได้ป่ะถ้าไม่ใช่ตัวเราของงรา เวลามันเจ็บแล้วแล้วเฉยๆได้หรือเปล่าอือตรงนี้ยังไม่ได้อะก็ยังรู้สึกว่าตัวมีตัวตนแสดงว่าเรายังคิดยังมีตัวตนอยู่คิดอย่างใช่ใช่แต่ปัจจของจริงก็ยังยังทําใจไม่ได้ใช่ยังไม่มีสมาธิยังไม่มีสมาธิใช่ค่ะถ้ามีสมาธิแล้วก็ทําใจได้เฉยๆได้อือค่ะนั่นต้องฝึกสมาธิให้ได้ก่อนอย่างเพิ่งไปทานปัญญาค่ะ เข้าใจแล้วค่ะขอบคุงค่ะเราจะไปมาจากเชียงไายค่ะมาจากเชียงันใช่ค่ะใช่ครอยู่เชี่ยงคาแล้วใครแนะนําำให้มาที่นี่นะเอ่อเคยมามาไปวัดอาทิตอาทิตย์ที่แล้วอ่ะเคยเจอหลวงเคยเจอพระอาจารย์เมธีเขาแนะนํามาเข้ามาสูซูมนะคะอ่าพูดไทยเก่งเลยมายืนพูดไทยมก่อน อพู้ไทยยังไม่ค่อยชัดเจนนะแต่ว่าพยายามจะให้ชัดเจนก่อนนะคะอาจารย์เคยเคยอยู่เมงไทยหรือเปล่าหรือไม่เคยเออไปไปมาๆก็ส่วนมาไปเชียงใหม่ไปไปเชียงใหมค่ค่ะแล้วไปเรียนภาษาไทยจากที่ไหนล่ะไปเรียนภาษาไทยที่ทีท่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่แต่สร้า ง, งแค่หนึ่งเดือนส่วนมารเรียนเองอย่าศึกษาธรรมะนะคะ<อ>ศึกษาธรรมะก็เรียน เรียนภาษาไทยค่ะเอ็งมากนะพี่ชั้นเนี่ยถ้าจะไม่ถ้าจะไม่รู้ว่าเป็นคนจีนเลยข้อฟึ่งค่ะเราจะพยายามปฏิปตะต่อนะคะภาวนาเพราะว่ามีทางเดียวเลยแคให้พ้นทุกข์ได้เวลาเรียนเรียนภาษาคนเดียวเรียนยังไงใช่อะไรเรียนเอ่าพรีย์ค่ะเวลาเรียนภาษาไทยคนเดียวเรียนยังไงอ่าเวลาเรียนพั เจก็เอ่อฟังก็อ่านหนังสือฟังธรรมฟังธรรมก็ถ้าไม่เข้าใจก็จะคุ้นหาความหมายคืออะไรแล้วก็จะเพื่อศึกษาธรรมะล่ะค่ะก็ไม่ต้องไม่ต้องมีคนสอนใช่ไหมสอนไม่ต้องมีคนสอนไม่ต้องเรียนเองเียเองได้อ๋อเก่งมากขอพักคึ้นค่ะอยากจะปฏิปาต่อนะคะอยากจะใช่ใช่ ชอบสื่อสาธรรมะเพราะว่าเราก็รู้สึกว่ามันในโลกนี้ไม่มีอะไรมีแต่สังขัรเกิดดับไม่มีอะไรหรอกค่ะแล้วก็ไม่มีตัวตนดินน้ําลมไฟมองให้เห็น น, น, น้ำลมไฟใช่ใช่ใช่เข้าใจเข้าใจหมดแล้วแต่ว่ายัางไม่เห็นจริงอะ่ะเข้าใจยังปล่อยไม่ได้ไไดอืมก็ยังยังหมุดมุ่นอยู่ใช่ไหมคะยังเป็น ต, ตัวเราของเราอยู่ยังไม่ตัวเราของเราอยู่ ใช่ก็แต่ว่าพยายามสอนจิให้รู้ว่านี่ไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่ตัวตน <aken> แต่ว่ารู้ว่าไอ้นี่คือเสียงสนสงสนจิอะไรก็เป็นสังขารทั้งหมดละครับใช่ไหมคะพาร์จันใช่<ร>แต่ ม, ม, มันก็เป็นสังขารที่เป็นธรรมกับสังขารที่เป็นกิเลสไงอืมใช่สังขารที่เป็นธรรมแล้วเราก็เชื่อได้เป็นสังขารที่เป็นธรรมก็ ว, ว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราเป็นของไม่เที่ยงเกิดแล้วต้องตาย เป็นในน้ำลมไฟอันนี้เชื่อได้เป็นสังขารที่ดีเป็นสังขารที่จะทําให้เราเอามาดับความทุกข์ใจเราได้อืมแต่พาใจ ถ, ถ้าเป็นสังขารท้งกิเลสก็คื อ, คอนี้ตัวนี้เป็นของเราร่างกายเป็นตัวเราของเราต้องต้องอยู่ไปนานๆมันต้องไม่เจ็บไายได้ป่วยอันนี้เป็นสังขารของกิเลสแล้วพาจย์ต้องพิจารณาความตายทุกวันไหมคะ ทุกวันทุกวันแล้วก็ยอมรับมันให้ได้พิจารณาเราถามด้วยว่ายอมตายหรื อ, อยังกลัวตายไหมถ้ากลัวตายก็แสดงว่ายังไม่ยอมตายถ้าเราถึงจิตสุดท้ายถ้าจิตตั้งมัน่นไม่กลัวตายถ้าจิตไม่ตั้งมัน่นไม่ตายตายไม่ได้เพราะว่าเราจิตไม่ตั้งมั่นนะคะก็ต้องทายมันตั้งมั่นอย่าไปรอเวลาตายเยนี่ยใช่ก็ก่อนเวลาตายก็ต้องจิตก็ต้องตั้งมัน่นถ้าไม่ตั้งมั่นไม่ตาย ก็ต้องตั้งมั่นตั้งแต่ยังไม่ตายต้องต้องตั้งตั้งมั่นตัแต่ตอนนี้ถ้าไปรอตอนตายมันก็ไม่มั่นถ้าตอนนี้ตั้งมั่นไม่ได้ตอนตายมันก็ตั้งมั่นไม่ได้โอใช่ใช่ต้องเริ่มเดี๋ยวนี้เลยค่ะปัจจุบันนี้ไปหาผีไปหาเสือไปหาอะไรที่น่ากลัวแล้วทําใจให้ตั้งมั่นเฉยๆได้ไหมไหยให้หน่างกายมันตายได้ไหมถ้าคิดคิดอย่างนี้ก็มันทุกคนต้องตาย ยังปล่อยให้มันตายก็ได้แล้วก็ทําให้สูจน์อยูว่าปล่อยได้หรือเปล่าไม่ว่าต้องตายแล้วถึงเวลามันจะตายเราปล่อยมันตายได้หรือเปล่าก็ต้องไปหาความตายอันที่ไหนที่มันน่ากลัวอืมจิตต้องมีพลังอ่ะถ้าไม่มีพลังก็อย่างกลัวตายอยู่ก็ต้องมาฝึกสมาธิไงพลังจิตฝึกสมาธิไงตรงนี้เข้าใจหมดแล้วค่ะยังไม่ไม่วันนี้พยายพยายามสร้างสมาธิขึ้นมาก่อนปัญญายังไม่ต้องไป คิดถึงเหมือนเพราะมันคิดแล้วก็ทำใจไม่ได้เพราะยังไม่มีพลังเรามาทำสมาธิให้มีพลังก่อนพอมีพลังที่ไปคิดทางปัญญาได้แล้วก็ปล่อยวางได้ยอมได้ยอมตายได้ยอมเจ็บได้เข้าใจแล้วยังเข้าใจแล้วค่ะขอเพื่อพึ่งค่ะอาจารย์ขอเพื่อพึงค่ะกลับสาธุค่ะสาธุนะครับเชื่อไดยจ้ะ เชื่อจรจรเชื่อจร จ, จนค่ะจนจนใช่ค่ะโอเคสาธุค่ะขอบาาอคการสาธุอ่าไปที่คุณเอกต่เชียงรายเห็นไหมเนี่ยชาวต่างชาติเขายังสนใจธรรมะเลยอาจารย์พระอาจารย์ครับผมเขมีอุปรสรรคทางด้านภ<ม>าษาก็ยังยังเรียนภาษาได้ครับผ ม, บผมเขาก็มีความพย า, า, ารรยามามีความพยายามมากมีความมุ่งมั่นมาก เขาเรียกว่าเป็นฉันทวิริยะอิจตาวมังสามล้ไปได้ไกลต่อไปถ้าถ้าถ้าทําไปเรื่อยๆก็จะไปได้ไกลเพราะเข้าใจเยอะเพียแต่ขั้นตอนของการปฏิบัติอย่างสับสนอยู่ครับอาจารย์วันนี้ก็เข้ามากับอาจารย์ครับก็รวมเราฟังไม่มีคําถามกับอาจารย์ครับครับผมนี่ โอเคอเคป็นไปว่าอะไรต่อกลับนมัส ก, การเจ้าค่ะอาจารย์อ่<ม>ต่อจากคำถามเมื่อวันอาทิตย์ที่ที่ได้ฝากคำถามคุณหมอวีไปอะคะ่ะเรื่อง เ, อเรื่องอินรีห้าแล้วก็พลาห้าค่ะหลักๆ ก, ก็คือถ้าจะไปต่อต่อยอดไปก็คือมันเป็นเรื่องของการใช้วินิยะเป็นสำคัญก็เป็นโดวผลันวินิยะกัสติ วิญญยเพื่อเจริสติเพียงสร้างสติให้ได้ถ้าสร้างสติได้สมาธิปัญญาก็ยังง่ายก็จะเกิดขึ้นได้เหมือนเหมือนที่หนูได้เรียนมาก็คือสุดท้ายแล้วอะค่ะมันมันจะกลับไปที่สามตัวคืออสมาธิอ่สมาธิปัญญาอ่ะเพราะฉะ น, นั้นหลักๆจะไม่ต้องคิดอะไรมากละเอาแค่เรื่องที่พระอาจารย์สอนคือสติสติมามัน สติมาสมาธิมาปัญญาจะเกิดแล้วเราก็ใช้อันเนี้ยเออ่พิจารณาเพื่อให้เพื่อให้เพื่อให้ตัดกิเลสได้แล้วเราก็ก็จะสามารถไปในขั้นตอนขั้นตอนให้ยอมหยุดเย็นได้ไงถ้ามีสติ ม, มีสมาธิมีปัญญามันก็จะยอมหยุดเย็นได้ยอ ม, มตายได้หยุดต่อต้านความตายพอหยุดต่อต้านความตายใจก็เย็นสบาย<ม>อีกส่วนหนึ่งก็คือไอ้เรื่องการพิจารณา ความตายค่ะพอดีก็ก็ได้ฟังที่พระอาจารย์เทศมาแล้วก็มันก็เลยได้ปัญญาเพิ่มเพราะว่าเมื่อก่อนหนูหนูก็คิดว่าถ้าหนูเกิดเป็นโรคร้ายหนูคิดว่าหนูจะไม่รักษาตัวค่ะพอดีได้ฟังพระอาจารย์เทศให้ข้อคิดเกี่ยวกับเรื่องของการถ้ารักษาถ้าเราถ้าเรารู้แล้วเรารักษาอย่างน้อยเราก็จะได้รักษาชีวิตเพื่อศึกษาธรรมะแล้วก็ทําคุณประโยชน์ได้อันนี้ก็จะเป็น บุญกุศลอย่างหนึ่งที่จะถึงแม้ว่าเรายังไม่ ย, ไมยังไม่บรรลุนิพพานณตอนนี้แต่มันก็ยังทําให้เราสามารถที่จะสร้างสร้างบุญสร้างกุศลแล้วก็เป็นปัญญาต่อไปอันนี้ก็ถูกต้องนะเจ้าค่ะก็มันเป็นทางเลือกไงถ้าเราอยากจะทําข้อสอบว่าไม่รักษาก็ได้ยอมตาย อ, อันนี้อันนี้ก็ทําข้อสอบเลยแ่ถ้าเรายังเรายังไม่พร้อมที่จะทําข้อสอบว่ารักษาร่างกายไว้ก่อน เราศึกษาเพิ่มเติมปฏิบัติเพิ่มเติมเพื่อให้ไปทำข้อสอบต่อไปในภายภาคหน้าแต่ถ้าพร้อมทำข้อสอบตอนนี้ก็ไม่ต้องก็ไม่ต้องรักษาเป็นมะเรขั้ น, ข, นขั้นสุดท้ายขั้นไหนก็ไม่รักษามันปล่อยอมันไปถ้าหนูตั้งใจว่าท่านทาหนูหนูคิดว่าหนูน่าจะเป็นมะเร็งเพราะตระกูลหนกกูก็มาแบบนี้หมดเลย ก, ก็คิดว่าไม่รักษาค่ะ ถ้าเรานม่ถ้าเราต้องการที่จะบรษย์เร็วก็ไม่ได้รักษาอืเพราะยังไงก็คือนิพพานก็คืออยู่ far ตายอยู่แล้วอส่วนใหญ่ก็ต้องไปอย่างนั้นก่อนถ้าเรายัางไม่บรรลุเ ร, เราก็ต้องรักษาก่อน ไ, อไม่ใช่เราก็ต้องยาวตายก่อนต้องบรรย์ก่อนอืมแต่ถ้าเราบรรลุแนะเราก็รักษาเพื่อทําประโยชน์ให้กับคนอื่นต่อไปได้แต่เดี๋ยวรอกันบ้านก่อนนะคะถึงเวลานั้นอาจจะเป็นคนขี้ขาดกัน <laughs> รักษาก็ถ้าอยากจะถ้าอยากจะบรรลุก so okay. mm? like ็ท uh, like ํางไปรักษาหนูตั้งใจเลยค่ะลองดูก so ็ขอบพระคุณที่ว่าหรือไม่ใช่ก็เนี่ยไปไปนั่งสมาธิในป่าในอะไรก็ทำข้อสอบแบบนั้นก็ได้เนี่ยวกลไกความกลัวขึ้นมากลไกความกลัวขึ้นมาก็ยอมยอมตายอ๋อเนี่ยค่ะที่ที่ที่ยังไม่ยังไม่ได้ทํากันบ้านคือ นั่งสมาธิในป่าช้าตอนกลางคืนนะคะยังยังกลัวยังกลัวก็ลยไว้ทําให้ได้ถ้าทําได้แมันก็มัท่ามันก็จะหายกลัวถ้ามันยอมตายแล้วมันก็จะหายกลัวนะคะยอาหนักเยวนะพอยอมหนเดียวมันมันมันมันหายไปตลอดชีวิตเลยตอนนี้หนุไม่กลัวผีแล้วแต่ถ้าไม่ยอมถ้ายังไม่ยอมมันก็ยังไม่ยอมอยู่นั่นค่ะ ได้คะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวหนูใจกล้าเมื่อไหร่หนูจะไปแบบนั้นเลยคะ่ะอ่ะขอบคุณจา้าค่ะเราต้องเราต้องปฏิบัติแบบเชิงลุกอย่าไปให้มันมาลูกค้าเรา ม, มันอาหาเรามันงา น, นจะไม่ทันเราอาจจะตั้งหนังไม่ทันก็ได้ดค่ะแต่ถ้าเราใช้เชิงลุกนี่แสดงว่าเราพร้อมแล้วเรามีอินทรีย์พร้อมแล้วมีพระละพร้อมที่อะรวยนะค่ะขอบคุณจนะค่ะใช่ท อ่าคุณออค้อมบอกขึ้นมาย่างอ้อมอ่าเป็นยังไงแม่แม่ส ก, การค่ะยังกลัวเยอะเปล่าถามมีอไม่กลัวคะ่ะไม่กลัวอะไรไ ม, ไม่กลัวผีใช่ไหมคะไม่กลัวตายบปล่าอันนี้มันยังไม่ได้ทดสอบอะคะอ่ะพ่อจันอ๋อยังไม่ทดสอบอันนี้เป็นแก้แค่เรื่องผีก่อนเนะค่ะแล้วก็การเปลี่ยนแปลงที่พออจารย์เคยบอก อ่าไม่กลัวความเปลี่ยนแปลงไหมไม่ไม่ใช่พระอาจารย์บอกว่ามันก็ไม่ใช่มีแค่ผีมันก็มีการเปลี่ยนแปลงอะไรก็ต้องซ้อมไปด้วยอค่ะทุกอย่างไม่เปลี่ยนแปลงได้อ่านจะตกงานก็ได้นะค่ะเตรียมพร้อมในอย่างที่เกิดตกงานแค่มาเตรียมพร้อมไม่หมดค่ะพระอาจารย์อ่ปล่อยวางมดอ่าอาจจะต้องอยู่คนเดียวก็ได้นะไม่มีอะไรที่เนื้อประดาตัวก็ได้นะค่ะอ่ไม่มีใครรู้วะไรจะเกิดขึ้นใช่ไหมค่ะ ใช่ค่ะอ่ห็ม่มข่าวข่าวหมอยู่ดีๆก็ก็ไปติดคุกแล้วก็มีเห็ <c oughs> แต่ถ้ า, <c oughs> ถ, าถ้าเป็นนักปฏิบัติก็นอนที่ไหนก็เหมือนกันนอนคุกนอนนอกคุกมันก็เหมือนกันถ้าเป็นนักปฏิบัติจริงๆก็ไม่หวั่นไหวหรอกของพวกนี้ <c oughs> ของกล้วยๆค่ะ <c oughs> อืมนี่แหละคื อ, ออนิจาจาจำไว้เนี่ยพยายามฝึกสอนเห็นอะไรเหตุ ก, หการณ์กับคนอื่นต้องอาปัญยโก อค่ะอ่าเข้ามาที่ตัวเราอาจจะเกิดก็อาจจะเกิดขึ้นกับเราก็ได้อืมอาจจะแรงกว่าหรืออาจจะเบากว่าก็ได้ไม่มีใครรู้อ่เราต้องเราต้องรู้ว่าเราพร้อมหรือไม่พร้อมอัตัวนี้สําคัญถ้าเราพร้อมแล้วเราก็ไม่หวั่นไหวใช่ไหมวิธีจะทดสอบ ก, ก็ไปอยู่บนเขาบ่อยๆ่อยค่ะ อันนี้ก็ออกวันเดินดยในที่มืดสักพักเดินดงกลมในที่มืดสักพักหนึงค่ะไม่ต้องเปิดไฟค่ะดีไหมดีค่ะทําได้ยังทําได้ค่ะทำได้นะมากรับจริงๆตั้งใจมากับนักฆ่ากับอะไรกับนักค่านักค่านัก่ากิเลสอ่านักค่ากิเลสค่ะ ทำไมต้องไปกราบเาด้วยกราบผ้าอาจารย์ไงคะก็มาเรียนกับผ้าอาจารย์อยู่ค่ะโอเคตัวที่ทำให้ใจอ่อนแอใช่กิเลสไงคะก็เลยต้องมาเรียนเอาวิชาอใช้ปัญญาสู้กับกิเลสใช่ค่ะใช้ใจรัอันนี้จงทุกครั้งหน้าตามารับแสงสว่างจากผ้าอาจารย์โอเคเี แล้วก็ไปเปิดต่อนะไม่ใช่แล้วก็แล้วก็ปิดปิดไว้ได้ก็ได้มาเยอะอยู่ค่ะแม่จ้าเราไปทำต่อต้องปล่อยวางให้ได้ปล่อยวางทุกอย่างค่ะลาบยึดถลระเสริญสุขปล่อยให้หมดร่างกายก็ปล่อยเมตนาก็ปล่อยจิตก็ปล่อยคไม่ยึดไม่ติดเกับอะไรสักอย่างเราจะไม่ทุกที่ทุกพอไปยึดไปติดกับเขาอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ พรอก็ไม่เป็นเราก็ทุกข์ขึ้นมาค่ะอืมโอเคมีอะไรไหมไม่มีค่ะอ่าขอบพระคุณค่ะอ่าคุณหมอตอวันนี้คุณหมอตามาอย่าอยู่แต่หมอเนี่ยเอวันนี้เาารรมศาสตร์ครอาจารย์เอาเออันวันนี้ยังไม่เสร็จงานเรายังไม่ได้กลับบ้านเอาอานารย์ ่แต่ขอมากราบพระอาจารย์เอาพลังค่ะรับพลังค่ะพระอาจารย์ออดีพลังทำแสงสว่างปัญญั<ล>ติค่ะแล้วสติสตินี่เป็นตัวที่ทำให้เกิดพลังฝึกสติให้เยอะๆแล้วจิตจะสงบแล้วจิตจะมั่นคงจะนน่นนนาจะไม่วุ่นวับจะไม่เอ็นไปเอ็นมา พอมีปัญญาก็จะทาให้เกิดความกล้าหขึ้นมาไม่เกิดความกลัวกับอะไรทั้งสิ้นครับอาจารย์จะน้องนําไปปฏิบัติค่ะครับขอบคุณครับขอบคุณอาจารย์ครับอย่าทํางานมากเกินไปนะเดี๋ยวไม่มีงเอาเงิไปใช้ที่ไหนเับจริงครับก็พยายามคุยคุยกับบ่อนแอตอยู่ทํับว่า เขฟั anlam, งพระอาจารย์มาก็นานมากแล้วถ้ายังไม่เพียรปฏิบัติตามคําสอนครูบาอาจารย์ก็ก็จะเสียชาติเกิดเอาครับผมก็อยากจะอยากจะได้ไปน้อมนําเรื่องสติที่พระอาจารย์แนะนําว่าต้องให้มีสติตั้งแต่ตื่นเช้ามาครับเพราะว่าบางทีนั่งสมาธิแล้วมันหลุดง่ายมากครับอาจารย์ถ้าเราไม่ไม่เจริญสติอย่างที่พระอาจารย์ชี้แนะครับอืมคราวนี้ก็คือตื่นเช้ามาก็คือยังจะจะเจริญสติตั้งแต่แบบลืมตาครับพระอาจารย์พยายามจะ จะไม่สวดมนต์สั้นๆก็พุทโทพูดโทก่อนเนี่ยค่ะอดีครับพยายังฝึกไปเรื่อยๆต่อไปมันก็จะติดเป็นนิสัยครับครับผมครับน้องน้ำปฏิบัติครับนอาจารครับครับคุณสาธตร์ตาต่อภารกใจใช่นะการมาฟังทำธรรมจันทร์ปฏิบัติครอืมธรรมะแล้วธรรมเมา ทำมาก ม, มาบ้าทำมากบ้าครับอาจารยไปเล่นเรยตอนนี้ตอนนี้ที่พูดกันนี้เป็นทำมากแล้วเป็นทำเมาเป็นทำมาก ท, ทำอยู่เพราะว่าพระอาจารย์บอกบอกเลยมันไม่มีอะไรจะทำํทำทาไมได้เข้าเนี่ยก็อยู่แต่ข้างในครับอาจารย์ อ, อ, อะจะไปก็คือไปหาพ่อพาพ่อกินข้าวแล้วขั บ, บรถเที่ยว ก็จ ะ, จะอยู่ข้างในไม่ค่อยไปไหนอ่ ะ, อะอจิตข้างในจิตเข้าข้างในเป็นมากจิตออกข้างนอกเป็นสมุทยัยเพราะว่าปกติตั้งแต่ตั้งแต่ลูกเด็กๆก็จะอยู่อย่างเงี้ยไปทํางานเสร็จกลับมาบ้านอจะจะจะพาแม่ไปหาหมอหรือพ่อไปหาหมอแล้วก็กลับพอแม่เสียก็ดูพ่ อ, อก็คือไปหาอธิลขังส่วนมากลูกก็ อยู่ข้างในอะค่ะไม่ค่อยไม่ไม่ได้ปไปอลักดีแล้วลแสดงว่าจิตมีความสงบ ม, มะาจะจ่อยู่ประมาณ น, นี้ไม่หิวก็แสงสีเยียมัอ๋อไม่อะค่ะไม่ค่อยชอบเที่ยวเหนือ่อยอยู่อย่าง น, นี้สบายกว่าโอเ ค, คดีค่ะค่ะคุณลูกตาลต่อคุณแม่อยู่เปล่ามาสการ์ค่ะ่ะ อ, อาจาร วันนี้คุณแม่ไม่สบายค่ะเมื่อวานโดนฝนค่ะเลยเลยขอไปพักก่อนค่ะค่ะนีจจำเนี่ยเก่ดแก่เจ็บตายเป็นธรรมดาค่ะเห็นว่ามีไข้ค่ะก็เลยให้ให้กินยาแล้วก็นอนพักก่อนค่ะอีใจารยค่ะนี่รักษาไว้ก่อนร่างกายเป็นเครื่องมือสำคัญค่ะส่วนหนูตอนนี้ก็ปฏิบัติทุกวันค่ะ อฏิ บ, บัตทุกวันแล้วก็งดอาหารค่ะทานมื้อเดียวค่ ะ, ะพยายามทุกวันเลยทุกวันค่ะเหมือนกับพยายามทำให้ได้ดีค่ะแต่มันก็จะมีหิวบ้างแต่ก็อดทนเอาค่ะกินน้ำเปล่าลใช้สมาธิช่วยนะนครับ ก, ก็ทำอย่างที่พระอาจารย์เคยเทศนะคะหลังบ่ายโมงก็ น้ำสีน้ำอะไรเงี้ยก็ก็ไม่กินค่ะกินแต่น้ำเปล่า อ, อย่างเดียวค่ะคือก็พยายามทําให้ได้ค่ะมไม่เคยขยันนั่งสามาธิแบบนี้มาก่อนอในชีวิตค่ะมันต้องมีอะไรบังคับเราให้ทําถ้าไม่มีความทุกข์เราก็จะไม่ก็าหาสมาธิกันค่ะพอดีแบบร่างกายมันเหมือนกับมันเริ่มมันเริ่มกลับมาเหมือนกับตรวจเจอว่าแบบมันมันมันป่วยแบบครั้ง ที่ผ่านมา อ, มอีกเลยนะคะก็เลยแบบมันก็เกิดความตกใจขึ้นมาค่ะพระอาจารย์แล้วมันก็รู้สึกว่าถ้าแบบนี้ไม่ไม่ดีละเราต้องเราต้องแบบว่าทำให้จิตใจเราเข้มแข็งอะคะ่ะอธิเป็นาาค่ะสมาธิาา ก, ก็เลยไม่เคยขยันอะไรแบบนี้มาก่อนเลยค่ะพระอาจารย์อั่นนะพอพนึถึงความตายมันทำให้เราหายหายขี้เกียจเลยค่ะใช่ค่ะยังเป็น ยิ่งเป็นของจริงด้วยมันยิ่งทำให้เราไม่ขี้เกียจได้คือไม่ผ่านอะไรเลยค่ะไม่ผ่านแบบไม่ผ่านข้อสอบอะไรทางนั้นเลยค่ะจนมานั่งพิจารณาแล้วแบบถ้าปล่อยแบบนี้ก็แย่แน่ค่ะดีฮะแสดงว่าได้ได้ตัดสินใขึ้นมาแล้วประมาณก็ได้แล้วเราก็แบบได้มาเจอพาจารยอแล้วถ้าไม่ได้เ ล, เลยก็จะยิ่งน่าเสียดายมากค่ะผาาอค่ะดีสาุ ค่ะทำไม่ได้นะทำไม่ได้พยายามอย่างยิ่งยวดเลยค่ะตอนนี้ค่ะโอเคจ้าขอบพระคุณนะคะคุณหมอลุงนอร์คุณหมอวัชร์ยังไม่ได้เปิดเสียงไหมหมอเปิดแล้วไม่ได้แล้วลุงเรืองครับรุ่งเรือง พอไปครับมีอะไรไหมวันนี้ก็ผมไม่มีคําถามครับพระอาจารย์ที่ไปทําบุญก็เข้ามาพบบอเจริญเข้ามาพบพระอาจารย์ครับเออมีมีเรื่องหนึ่งครับพระอาจารย์วันที่ผมใส่บาตรนะครับคือปกติผมก็จะแบบกําหนดสติสวดมนต์ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็นั่งสมาธิเหมือนที่เรียนพระอาจารย์แต่วันนั้นตอนที่ผมใส่บาตรกับพระอาจารย์นะครับมันเหมือนวูบลงไปอะครับอืม ความสุขแบบมากๆเลยครับเงยหน้าไปมองหน้าพระอาจารย์แล้วมันก็วู๊แบบเหมือนกับ ต, ตกตกดิ่งๆอะไรอย่างเงี้ยคับพระอาจารย์ที่มันสงบมามครับครับแล้วก็แบบมีความสุขเหมือนเราเราเราทราบมีความสุข้ากไหมความสุขที่เกิดจากความสงบมามครั บ, รบทิสันติพลังสุขทั้งครับครับแต่ตอนนั้นผมไม่ได้นั่งสมาธินะครับพระอาจารย์ไม่ต้องนั่งหรอกบางทีมันจะสงบมันก็สงบของมันขึ้นมาเองโอ้ครับครับเนี่ยมีคําถามเดียวครับพระอาจารย์ มันที่เรานั่งเรบางครั้งมันมันสงบมันไม่สงบอ่ะแต่พอเวลาที่เราไม่ไปยุ่งของมันปล่อยมันเฉยเฉยเดียวมันสงบขึ้นมาครับครับแต่ไม่ไม่ไม่น่าแปลกใจงไลยอ๋อครับอาจารย์เพื่อนผมเห็นพอผมมองได้พระอาจารย์แล้วมันแบบมันว้าบขึ้นมาเลยครับอ่าทุกอย่างมันลงตัวบนะเนนั้นเจ็บมันปล่อยมาทุกอย่างมันก็เลยสงบครับครับมีคําถามเดียวครับพระอาจารย์อ่าแต่ต้องเกิดจากการที่เราฝึกสตินั่งสมาธิมาก่อนใช่ใช่ครับเพราะว่าผม ผมคิดว่าผมฝึกสติเยอะมากนะครับ<ช>สติเยอะมากเพวา่าสวดมนต์วนสวดมนต์สวดมนต์แล้วก็พุทโธพุทโธหรือว่าก็หายใจพุทโธตลอดนะครับพระอาจารย์ว่าใช้คาถาสั้นๆ น, นะครับคา<ม>ถามไม่สงบ ก, ก็คาถาสั้นๆอทำไปเรื่อยๆมันก็เราต้อนมันให้เข้าไปในในปากหลุมพอถึงเวลามากลงหลุมมันเองเลยอะ ไ, ไรนั้นมาแตะมางไหนก็ลงหลุมก็นั่งสมาธิตอนนี้สักนาทีที่ที่สิบก็สงบแล้วครับพระอาจารย์ อนาตีที่สิบแต่ยังยังไม่โบกแบบแบบที่ที่เราพระอาจารย์ฟังนะครับแต่มันก็มันนิ่งแล้มันไม่มันไม่คิดปรุงแต่งแล้วครับครับแต่คิดไม่คิดแล้วนะครับพระอาจารย์อืจะไม่คิดได้แล้วก็พุทโธพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆได้ครับอ่าดีมากครับกพระอาจารย์เดี๋ยวผมจะขยันขึ้นทําเพิ่มขึ้นเรื่อยๆทำเพิ่มให้มากขึ้นครับจะเข้าได้นานขึ้นต่อไปจะสงบได้นานขึ้นครับอาจารย์มันต้องก็แบบคณิกศาสตรไปก่อนเชื่อขณะหนึ่งครับพระอาจารย์ อาเป็นก็เป็นอัปปนาครับครับครับอยูที่สติเป็นหลักรับมีสติมันก็จะอยู่ได้นานถ้าสตินานก็อยู่ได้ได้สั้นครับพระอาจารย์ผมกลับขอว่าคุณพระอาจารย์นะครับชีวิตตั้งแต่มาปฏิบัติธรรมปีเตความสุขเลยครับพระอาจารย์แล้วก็ขอพระเจ้าปฏิบัติบูชาต่อครับครับพระอาจารย์นีสาธุสาธุครับขอข้าอาจารย์พระสันแข็งแรงนะครับสาธุ ต่อไปน่าจะมารายงานใหม่ครับอาจารย์คุณแนนต่อคุดรเป็นงไงนิง่งแฟนผไม่มีปัญหานอการรับราชการพระาอาจารย์มีแะ่รู้ทันเอาค่ะมีปัญหาก็าารับรู้แล้วก็ไปวางค่ะอาจารย์ขอบคุณพระอาจารย์ค่ะไม่ทุกข์ค่ะ เ, เดี๋ยวจะต้องโรคภัยแค้เจ็บมามาเยี็มก่อนแนละ เจออยู่ค่ะเจออยู่เจอละค่ะแล้วก็ลูกก็ว่ายังมากก็แค่ตายตายแล้วก็จะได้จบนะอลูกก็ตายแล้วก็จบตายก็เป็นอิสระแล้วอเงี้ยค่ะเจออยู่ค่ะพระอาจารย์โรคภัยนี้โอ้โหสุดๆดเลยค่ะแต่ว่าลูกก็ยอมเลยค่ะถ้าไม่ยอมมันก็ไม่จบทุกบ่มีปัญญาบอกเกิดนะใช่ต่อค่ะพอเจอเราก็เลยถ้าเรายอมตายแักเลยตายแักเลย โดยว่าถ้าเรายอมเสร็จแล้วจบอย่างมากก็แค่ตายพระจารย์บอกว่าตายแล้วก็จบจ บ, จบก็เป็นอิสระ ก, ก็เลยยอมไปเลยค่ะก็ไม่รักษานะคะพระอาจารย์ออไม่กินากยาด้วยค่ะขอบพระคุณพระอาจารย์เป็นหลักใจมากๆเลยเจ้าค่ะข <c oughs> อบคุณค่ะคุณนิสาต่อ l อตอนนี้อยู่บีอะไร บีนอะเอ๋อค่ะกล่าวณภาการค่ะอาจารย์อ๋อตอนนี้ลูกอยู่แอ r b บ b อบค่ะอาจารย์ค่ะจอยู่เดือนหนึ่งค่ะอาจารย์ป็บ้านเป็นบ้านของคนเขาแบ่งห้องให้ยังไงแล้ว่าเป็นใช่ค่ะที่นี่เขาจะเป็นแบบเหมือนกับ ส่วนใหญ่เขาจะทําแบบกาล่าช ก, ก็จะทําเป็นบ้านขึ้นมาเลยอะคะ่ะอาจารย์ให้เราอยู่ส่วนแยกส่วนไปจากบ้านเขาอีกทีนึงค่ะแยกส่วนค่ะอาจารย์ส่วนใหญ่จะแยกส่วนนะคะแบบที่อยู่ในส่วนก็มีแต่ลูกลูกเลือ ก, ก, ก, ก, กที่แยกส่วนค่ะอาจารย์จะขอมาอยู่ ใ, ใกล้ใก้ด้วยจะขอมาอยู่นี่ค่ะเขาก็อยู่อยู่อีกบ้านอีกหลังหนึ่งนะคะ่ะอยู่ข้างหน้ า, าอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ไม่มาอยู่กันแล้วอ๋อไม่ค่ะก็เขาก็จะแลหากินอยู่ของเราเอง ใช่ค่ะเพราะว่าที่บ้านที่อยู่ก็มีครัวมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะพรอาจารย์เขาก็จะแค่แบบอีเมลมาทักกับเราอย่าเงี้ยค่ะเป็นเซสมาว่าเป็นยังไงบ้างต้องการอะไรไหมอะไรเงี้ยค่ะพรอาจารย์ก็เป็นวิธีหาหารายได้เพิ่มจากของเขาใช่ค่ะเพราะว่าค่ะคนที่นี่ที่ที่แอที่เนียค่ะส่วนใหญ่จะทําแบบนี้กันหมดค่ะเพราะว่าคงค่าใช้จ่ายมันสูงค่ะผ่อนบ้านก็สูงต้องเอาตรงนี้มาครับอ่ะ แลวคนตัวใหญ่ที่มาพักนี่เป็นคนต่างมาจากนานอื่นมาจากเมืองอื่นใช่ไหมห้วยยังไงก็น่าจะทั้งหมดเป็นนักท่องเที่ยวเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย์ตอนแรกเขาก็เขาค่ะตอนแรกเขาก็เจอลูกเขาก็นักส็ถามว่า welcome to L A ลูกบอกว่าไม่ลูกอยู่ที่นี่แหละจริงๆจากบ้านที่ที่ที่ที่ขายไปก็ไม่ไกลอะค่ะแค่สินาทีเองค่ะพระอาจารย์เพราะว่าหัวเหรออาจจะเป็นเป็น unusual ของ case แล้ว ใช่ใช่ส่วนใหญ่จะเป็นเป็นนักท่องเที่ยวมันจากที่อื่นนะใช่ค่ะพระอาจารย์แล้วก็ส่วนใหญ่จะเป็นพวกแบบมาทํางานค่ะพระอาจารย์อแบบมาทํางานที่นี่ก็กลับอยู่ค่ะเดือนหนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย์ส่วนใหญ่ก็ส่วนใหญ่เขาชอบให้อยู่เดือนนึงมันก็ถูกกว่าไปอยู่โรงแรมถูกกว่าเยอะค่ะพรอาจารย์เราไปจะไปจะไปเช่าบ้านมันก็สั้นๆเดือนนึ่งก็ เช่าบ้านา ก, ก็ ม, ม, มันต้องคือเช่าบ้านหนึ่งก็แพงค่ะ<ม>อาจารย์แล้วมันต้องเป็นแบบเหมือนเป็นคอนแทรคเป็นปีอะไรอย่างเงี้ยค่ะ<ม>แล้ก็คือตอนนี้ก็เลยแบบส่วนใหญ่ก็คนนิยมอยู่ Air ์บีแนดีมากกว่าเพราะว่ามันสะดวกแล้วก็ถูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นทางาเลือกใหม่นะค่ะอืมดีอ่ะแล้วก็ส่วนใหญ่ที่นี่เขาเปิดให้เหมือนกับเปิดให้ทํา Air บีแนดก็ทําให้คนที่นี่ก็บอกว่า ทุกคนก็เปิดทํากันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีแบบให้ทําเขาเรียก A D U เลยเนี้ยคะ่ะเป็นแบบเหมือนกับทําลงรถทําการหลาชให้เป็นที่อยู่อาศัยเป็นเป็นบ้านเป็นห้องอะไรเงี้ยคะ่ะแล้วก็ให้คนมาเช่าเลคะรัฐก็ได้แท็กด้วยค่ะอาจารย์ <c oughs> อืมน่ใจค่ะอาจารย์ก็ก็ดีต้องเสดต้องเซลส์เสร็จไหมไงต้องจ่ายใช่คะ่ะต้องจ่ายแท็กแต่ว่ามันก็ตลกดีของรูปมันจะแบบ ถ้าถ้าอยู่แบบสามสิบสามสิบวันมันต้องจ่ายแท็กซ์เยอะค่ะพระาจารแต่ถ้าแบบเป็นอยู่สามสิบเอ็ดวันมันลดแท็กซลูกก็งงเหมือนกันก็ก็อยู่สามสิบเ็ดวันสิอะไรอย่างเงี้ยจะส่งเสริมให้อยู่นานขึ้นค่จะส่งเสริมให้อยู่มากขึ้นอะไรเงี้ยคแล้วดีเ้าใครเป็นคนจ่ายเราเราเป็นคนจ่ายแท็กซ์แล้วคนเราเราเราค่ะเราเราจ่ายแต่ว่าเราจ่ายแต่คนที่เป็นเจ้าของบ้านเขาก็ต้องส่งค่ะตรงเนี้ยเขาไม่ได้แล้วเขก็ส่ง เป็นเซลล์แท็กอะค่ะอาจารย์เซลล์แท็กเหมือนกับเหมือนกับเหมือนกับเติมน้ำมันรถเหมือนกับไปซื้ออาหารในร้านอาหารนี้ค่ะประมาณนั้นค่ะเซลล์แท็กก็คือทุกมันต้องแยกออกมาไม่ได้เหมือนเมืองไทยมันอินคลูชใช่ไหมคะอที่นี่มันแยกออกมามาถึงเวลาเอร์เซ็นเดือนนี้กี่เปอร์เซ็นต์สิบจุดสองห้าค่ะสิบจุดสองห้าค่ะก็ก็ต้องทางทางคนที่อย่างเราถ้าเราเคยเป็นที่รู้เคยทำร้านอาหารก็ต้องส่งค่ะอาจารย์อืม เราก็เก็บจากลูกค้ามาแล้วเราก็ส่งไปให้รักคาร์ถ้าไม่ส่งก็โดนค่ะค่ะอาจารย์ก็ของลูกก็ไม่มีอะไรลูกก็ยังปฏิบัติค่ะพรอาจารย์อาจจะมีแบบคุ้งร้านบ้างอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่ามันเหมือนกับมันต้องมีการเปลี่ยนแปลงค่ะพรอาจารย์เพราะว่าตอนปรับตัวเองนะต้องปรับที่ที่อยู่มอะไรใหม่ทุกอย่างก็คือต้อง เดือนหน้าก็บินแล้วค่ะอาจารย์ต้นเดือนค่ะอาจารย์ก็มันไม่เหมือนการกลับเมืองไทยครั้งก่อนๆค่ะคราวนี้เป็นแบบสาววอนเลยใช่ค่ะค่อนข้างสาวรเลยค่ะอาจารย์ก็คือย้ายเลยแต่ว่าทุกครั้งก็เหมือนกลับไปเที่ยวก็เออโอเคกลับมาอันนี้นก็คิดเยอะ อ, อะไรเงี้ยนู่นนี่นั่นไปเรื่อยตามแต่แล้วา <c oughs> แล้วเนี่ยไ ม, ไม่ไม่ต้องทํางานแนละ้วใช่ไหมีีทายนะ ค่ะไม่ทำงานแล้วแต่ว่าก็ก็ต้องปรับตัวค่ะพระอาจารย์จากที่เคยทำงานเยอะๆค่ะก็ดีค่ะพระอาจารย์จะได้มีเวลาปฏิบัติเป็ น, เ ป, นเป็นงานมาปฏิบัติปฏิบัติก็เป็นงานอย่างหนึง่งค่ะใช่ค่ะพระอาจารย์เป็นงานที่แบบเป็นงานสุดท้ายของชีวิตครับเมื่อตอนที่เราออกจากงานปุป๊บเราก็เริ่มงานใหม่ทันทีเลยเริ่มปฏิบัติทันทีเลยค่ะอก็คิดถึงพระอาจารย์อยากปีพระอาจารย์เป็น เป็นเป็นแบบอ้นฉบอลเป็นไอดอลค่ะพระอาจารย์แต่ว่าแบบอยากจะเป็นแบบนั้นแต่ว่าไม่รู้จะไปได้ขนาดไหนได้ความเพียรอยู่ที่ความเพียรความพยายามฝึกสติให้มากเริ่มต้นฝึกสติก่อนค่ะตอนนี้สติหายไปเยอะค่ะพระอาจารย์ตอนนี้ก็ต้องแบบมาอยู่กับสติให้มากที่สุดรู้เลยว่า สติไว้ค่อยดีเวลานั่งสมาธิมันมันค่อนข้างนานมากกว่าจะสงบค่ะอาจารย์ใไม่นี่งมันคิดนู่นคิดนี่อะไรแบบน้ค่ะอาจารย์แล้วก็<ม>เปลี่ยนที่ด้วยเลยอาจารย์<ม>ก็คงต้องสู้กับกิเลสค่ะเพราะว่าถ้ากลับไปเมืองไทยก็คงมีเรื่องกิเลสเข้ามาอีกเยอะแล้วก็<ม>ต้องต้องเปลี่ยนแปลงเยอะต้องปรับตัวเองค่ะอาจารย์ต้องปรับตัวเยอะค่ะแล้วก็<ม>จากที่แบบเคยอยู่แบบ ค่อนข้างอินโทรแบบไม่ค่อยอะไรไม่มีญาติอะไรอย่างเงี้ยอานจะต้องเจอญาติเจอเพื่อนเจออะไรเนี่ยแหละค่ะพระจารย์ก็เลยคิดแล้วแต่ว่าคิดแล้วมันก็เลยเกิดความฟุ้งซ่านแต่ว่าก็คิดคิดแค่ว่าแบบอย่าไปคิดเยอะค่ะก็ค่อยว่ากันอีกทีค่ะอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดอันนี้เราหลบได้ก็หลบได้ก็หลบอันนี้หลบไม่ได้ไม่ได้ก็อเบครับ ก็ต้องคิดหลักหลายๆอย่างที่พระอาจารย์สอนนะคะปล่อยวางยอมหยุดเย็นอะไรอย่างนี้ยค่ะพระอาจารย์อืมเพรเรายังไม่อยู่กับคนนะอยู่ในสังคมก็ยังต้องพบปะกันอยู่ค่ะพระอาจารย์ก็พยายามแบบพยายามไม่อยากจริงๆไม่อยากเจอใครแต่ว่าบางทีมันหลีกเลี่ยงไม่ได้ค่ะพระอาจารย์ไม่อยากจะบอกใครว่าบ จะมาอยู่ที่นี่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่อยากจะบอกใครเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าบางทีมันมันหลีกเลี่ยงไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะต้องไปเจอญาติต้องอะไรเงี้ยนี่ไม่ได้บอกใครนะคะว่าจะจะไปย้ายอยู่แบบถาวรอะไรอันนี้ก็อันนี้ก็จะได้ยินแล้วก็ได้บอกแค่บอกแค่ญาติญแบบญาติสนิทเท่านั้นนะคะแบบแบบบอกพี่สาวบอกคุณแม่บอกอะไรอย่างนี้เท่านั้นแต่ว่าไม่บอกใครเพรารู้สึกว่ามันจะแบบมันน่าจะวุ่นวายอยู่ อันนี้บอกทุกทุกเรือเนี่ยก็รู้รแต่ในห้องสูงกับค่ะจ่าแตอไม่ทุกโลกนะคนดูเป็นแสนเนี่ยโอ้ไม่ไม่ไม่ไม่มีใครรู้จักลูกเยอะขนาดนั้นค่ะพ่อจ๋าเสียไม่ได้เนาะโอเคไม่เป็ไรก็รู้ก็รู้ไปนะไม่ใช่เป็นคามลับไปไม่เป็นไรรู้ก็รู้ไปค่ะพ่อจ๋าโอเค ก็ไม่มีอะไรค่ะพระอาจารย์ก็พยายามจะเข้าห้องสูมให้มางที่สุดค่ะไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนค่ะพระอาจารย์ต้องมาเติมพลังค่ะพระอาจารย์โอเคค่ะขอให้พระอาจารย์ท่าขันแข็งแรงนะคะครับถูกคุณอาจารย์อาจารย์พรหมพิรายตอคุณนันโกศลปนเวครับนมัสการพระอาจารย์ครับเอิ้กินับแล้วทุกการอาจารย์กรับเป่งยิ้ม นี่ น, น, นอนหั ว, วไป็งเลยดึกดึกไนิดนึงความสุขของคนแก่ก็คือการนอนเนว่าคืนหนึ่งก็ลุกหลายหลายเที่ยวสี่หรือห้าเที่ยวแต่ก็โอเคครับกลับไปก็นอนทุกทุกครั้งเนี่ยเกิดได้พบอาจารย์ทุกอาทิตย์ก็เป็นสิ่งที่โปรแกรมที่ดีครับ สร้าเสริมส้างเสริมป<ด> ร, ระสบการณ์ชีวิตค่ะได้ยินได้ฟังเรื่องราวต่างๆนะบองคนนั้นของคนนี้ของเราด้วยก็ศึกษาไปได้วยกันค่ะในที่สุดเราก็อยู่เรื่องํำเดียวกันนั่นแหละเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันเหมือนกันไม่มีใครต่างกันไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนมาจากไหนมันก็ต้องเกิดแก่เจ็บตายเท่ากันเราก็ใกล้ฟังหน่อยค่ะ พยายามต้องรีบเร่งทําเวลาหน่อยค่ะคิดเจร<ะ>จ า, นนานได้เยอะมากหน่อยอการเดินทางเราใกล้ถึงจุดหมายปลายทางแล้วนะต้องต้องไปไปลายทางแบบเข้ากระแสพันิพานด้วยนะเอมันจะได้สมบูรณ์แบบหนะ่อยต้องปล่อยวางสังข า, ารขันห้าคนะ่ะคุณอนุพลคงปล่อยไปเยอะแล้วค่ะ คนก็เฉยเลยปล่อยไปปีที่แล้วเยอะมากไม่ค่อยมีสองใชอไม่ได้นพรัรนเมื่อกี้พระจาจาร์คุยเรื่องโรงเรียนสิคาไลโรงศิคาไลนี่เป็นโรงเรียนที่เริ่มโดยคุณพารอิสราเสนานายวิทยานะคะคุณพารน่ะคุณพารนค่ะคุณพารณ์นคนไปตั้งโรงเรียนนี้ขึ้นมาเพราะว่าเป็นสิ่เก่าเอ็มไอแล้วก็เอาระบบของคอนสตรักชั่นซึม โปรเจกต์เบสเลอร์นิ่งเข้ามาแล้วก็ไปคุยกับทางออพระจอมเก้าธนบุรีก็ได้รับการสนับสนุนค่ะสนับส น, นเด็กที่มีมีหัวทางด้านประดิษฐ์อะไรทำเหล่านี้นะค่ะก็เรียนเรียนโปรเจกต์เบสติจะเรียนเรื่องชื่อล่างเงี้ยก็จะเรียนกันตั้งแต่ไ ด, ได้ได้เรื่องหมดเลยเอโอเคแล้วก็ดูมันเน่าออไปคือต้องไปไปอังเกตหลายหัมากครับคุณพรณ์ให้ไป ไปไปให้คอมเมนต์นะคะไปดูโรงเรียนไปดูหลายๆอย่าก็เด็กเด็กก็เรียนรู้ตั้งแต่ต้นเลยพอโตขึ้นเข้าระดามาอาลานี้ก็เป็นนักวิจัยได้เลยเขาจะรู้คิดเองแล้วก็วางแผนงานได้ทุกอย่างจะทําพิซซ่าเขาก็จะได้เรียนตั้งแต่วิทยาศาสตร์ไปจนถึงนิวทริชั่นอะไรเงี้ยค่ะแบบแบบดีมากก็สมัยก่อนก็เรียนถามว่าเราเราจะพิสูจน์ได้ไหมว่าเด็กเราจะไปเข้ามาหาวิทยาลัยได้อะไรเงี้ยก็ก็ไปได้ดีค่ะ ดีค่ะเดี๋ยวนี้วิชาการเรียนมีแบบใหม่ๆปรากฏขึ้นมาเรื่อยๆนะค่ะค่ะพมก็รู้ท่านบิลลีฟในในเอ t มไอทีมากแล้วก็ Professor ยิมัว p ์เพเก็จะเป็นเจ้ายุทธจักรอันนี้แล้ท่านก็นำเรื่องเกี่ยว Lifelong Learning เข้ามาแล้วเอา s อ g ซีีไปคือให้ให้หลายๆองค์กรนะคะให้ท่านถ่ายรอถ่ายทอดให้ได้เรียนรู้ว่ามันมันมีคุณประโยชน์กับกันสร้างทรัพยากรต่อไป นี่นี่คือการพัฒนาประเทศมาในตัวนะ<ช>พัฒน า, <ช>ฒนามนุษย์พัฒนาคนใช่ค่ะอย่างดียอดเลยแ ต, แ, ตแต่ต้องมีธรรมะประกอบด้วยยิ่งจะใหญ่นะค่ะท่าน ก, ก็ก็เข้าไปในเรื่องนี้นะคะในโรงเรียนก็จะมีเพราะว่า ก, ก, ก็ในสอนในทุกเรื่องเก่งด้วยต้องดีด้วยถ้าเก่งแล้วไม่ดีก็ก็ไม่ไหวท่านผัลลุมเนคนเอาวัตโตนี้นะดีและเก่งเข้าไปใส่<ม>ที่คุณจมินไทย ว่าเก่งมาที่หลังดีค่ะต้องดีมาก่อนดีก่อนดีก่อนแล้วก็เก่งตามพอดีต้องปลอดภัยดีไม่ไม่เป็นไม่เป็นพิษเป็นภัยกับใครค่ะค่ะแต่ถ้าเก่งว่าไม่ดีนี่อาจจะเป็นแย่เลยแย่ด้วยตัวเงทั้งคนอื่นด้วยอืค่ะอืมดูรายการเรียนค่ะอย่าสาธุโอเคดูด่านธาตแข็งแรงนะคะอย่าสาธุ อ่าต่อไปคุณแอนตอนนี้กลับมาทํางานแล้วเหรอกลับนมัสการเจ้าค่ะกลับมาได้จะครบเดือนแล้วเจ้าค่ะเราทํางานเราทําบินมาจัดรอบลูกแล้วมั้งคะเดือนนี้บริษัทคงเห็นว่าหยุดไปนานคงคิดว่าเอ่อต้องใช้เงินเยอะเลยจัดเต็มมากเลยเจ้าค่ะบินจะถูกที่ปะเจ้าค่ะท่านจะไม่มีเวล า, าพักเยอน่ ใช่เจ้าค่ะกลับมาเป็นชีวิตคนทํางานแบบเต็มเต็มร้อยแล้วค่ะตอนนี้อืมค่ะก็ปรับตัวได้ไหมปรับได้เจ้าค่ะแต่ก็อย่างที่คิดเอเจ้าค่ะที่ที่รู้ว่าพอกลับมาทํางานแล้วมันก็จะจะไม่ได้ปฏิบัติแบบนั่งสมาธิทุกวันแต่ก็แต่ก็ไม่แต่ก็ข้อดีคือเอ่อพอว่างก็พยายามนั่งเจ้าค่ะไม่ไม่ไมพอถ้าหายเหนื่อยจาก จากงานแล้วก็นอนหลับเพียงพอแล้วก็จะจะนั่งสมาธิเจ้าค่ะแต่กต็น้อยกว่าตอนที่หยุดไปสองเดือนเพราะว่าตอนนั้นจะได้ได้นั่งทุกคืนอย่างน้อยก็วันละครึ่งชั่วโมงแบบทุกค่คะก็กลับมาใช้ชีวิตทั้งโลกก็วุ่นวายเหมือนเดิมเจ้าค่ะหลวงพ่ออืมค่ะม <c oughs> ันก็จําเป็นนะจําเป็นต้องทําไปก่อนใช่เจ้าค่ะก็มาเก็บเงิน ที่บอกหลวงพ่อค่ะว่าอีกสามปียังไงก็ตั้งใจแล้วสัจจะแล้วว่าจะออกแน่นอนจะขายุห้าสิบอ่าดีมากแต่ว่าขำมากเลยจะ้ะค่ะหลวงพ่อเวลาไปคุยบอกใครอย่างเงี้ยว่าแบบว่าจะออกจากงานตอนห้าสิบใช่ไหมคะมไม่มีใครไม่มีใครคที่จะแบบว่าถามหรือว่าเอ้ยออกไปออกไปดีจังเลยแล้วไม่มีเลยคะ่ะมีแต่คนถามว่าจะออกไปทําอะไรจะทํางานอะไรต่ออย่างเี้มีแต่คนคิดว่า อ, ออกไปหางานทําใหม่คะ่ะ เขาไม่รู้ไงเราก็มีงานแต่มันไม่ใช่เป็นงานแบบที่เขาคิดค่ะเหมือนเหมือนในในสังคมทั้งโลกเนี่ยเขาคิดว่าห้าสิบมันคงน้อยไปมั้งคะที่จะออกงานอะไรเงี้ยเขาตอนหนูเริ่มเขวแล้วเอ๊หรือว่าเราเร็วไปเปล่าเงินก็แบบเขาก็คิดว่าเรามีเงินเก็บเยอะหนูก็คิดก็ก็ไม่ได้มีเงินเก็บเยอะนะแต่ว่าหรือเราควรจะต้องทํางานหาเงินเพิ่มอีกหรือเปล่าออกไปแล้วอะไรเงี้ยอเริ่มเขว้แต่ก็ ก็แค่คิดขำๆ ม, ม, มาเจ้าค่ะถ้าเร า, ามาถ้าเรามาทางธรนี่ใช้เงินน้อยมากใช้ยเฉพาะของจําเป็นเท่านั้นตอนนี้ก็เริ่มคํานวณเจ้าค่ะหลวงพ่อว่าถ้า<ม>ถ้าออกงนเนี่ยก็คือมีแค่หนูกับคุณพ่อใช่ไหมคะก็ค<ม>งคำนวณค่าใช้จ่ายของของหนูกับคุณพ่อสองคนว่าอยู่ด้วยกันใช้อะไรบ้างอะไรเงี้ยซึ่งซึ่งดูแล้วก็น่าจะจะอยู่ได้หลายได้หลายปีหน่อย<ม>ถ้าไม่พอ ก็ขายบ้านขายช่องเอาอะไรเงี้ยค่ะไปก็คิดว่ามันก็พอแหละถึงตอนนั้นก็น่าจะไปบวชไปบวชได้้นะอาจจะบวชหรือว่าอาจจะไม่รู้จะอยู่ได้กี่ปีตอนหนูหนูก็ไม่รู้นะคะก็ก็เห็นเขาบอกว่าทํางานบางทีมานั่งคิดดูเขาบอกว่าออกงานจากงานเร็วไปไหมแต่ก็มานั่งคิดดูก็ก็ไม่รู้เนาะบางทีใครจะรู้ออกออกจากงานห้าสิบอาจจะถ้าเอกดอาจจะตายก็ได้ <ช>ไมมีอะแน่นอนไม่มีอะไรแน่นอนีอคิดแบบนี้ก็ดีพอคิดตรงนี้ได้ก็สึกเออก็ไม่ต้องทํางานแล้วแหละเพราะว่าถึงต่อให้ทําต่อไปเรื่อยๆมันก็เป็นคอมฟอร์ทโซนนะคะเจ้าค่ะลุงพ่อมันก็ทา<ช>ไปเรื่อยๆ<ร>ถ้าไม่มาติดนานโคตที่เราจะต้องที่เราจะต้องเดินทางต่อว่าเราต้องมีอะไรติดตัวไปบ้าง่เพราะว่าพอมันพอคิดคิดหลายๆรอบแล้วก็หนูหนูอาจจะยังปฏิบัติไม่ได้เต็มร้อยตอนนี้แต่คิดว่า มานั่งพิจารณาดูเราก็ไม่ได้มีมีภาระอะไรเลยอย่างตัวหนูก็อยู่กับคุณพ่อสองคนแล้วเราก็ไม่ได้คิดจะมีแฟนมีลูกหรือมีอะไรแล้วในชีวิตนี้มันก็รู้สึกรู้สึกว่าโล่งอะค่ะว่าว่าว่าเราอยู่อย่างนี้ดีแล้วเอาออกตอนห้าสิบแล้วก็เริ่มปฏิบัติน่าจะเป็นดีที่สุ ด, ดค่ะดีมาก<ต>คิดถูกแ่้วขอให้นำเงินไปตามเป้าหมายก็แล้วกัน อย่าเป็นใจอย่าใจเขวะเดี๋ยวคนอื่นเขทักขึ้นมาแล้วใจแขวะกันมาแขวก็แค่ว่าคิดว่าคิดว่าเรามั่นใจตัวเองมากเกินไปหรือเปล่าว่าเรามีเงินมากพ อ, อแต่มานั่งคิดดูก็อย่างที่ที่ที่เรียนบอกหลวงพ่อใช่ค่ะอย่างมากก็แค่ขายบ้านสอนเม่ตอนที่เราปฏิบัติเรากินมันละมือ่ห้าบาทก็อยู่ได้วันละห้าบาทาข้าวจานสามบาทก๋วยเตี๋ยวชามสองบาทห้าบาทนี่ก็อิ่มนะ หนูเนี่ยตอนนี้หนูรู้สึกอายพอเวลาฟังหลวงพ่อพูดเรื่องกินเรื่องการเป็นอยู่หนูแอะหนูแอ บ, บมีมีรู้สึกว่าตัวเองมีมีปัญหาแต่เรื่องไร้สาระครับเจ้าค่ะหลวงพ่ อ, อเรื่องกินกับเรื่องเรื่องอยากรู้อยากเห็นเรื่องคนอื่นเย่างี้ย <laughs> ยังหมดไม่ได้นะยังหม่วนี้ก็จะตามตาม y o u ูทูบตามข่าวอะไรอย่างที่คนตามกันนะคะมันยังมีความสุข อยากรู้อยากเห็นแต่เป็นเป็นดูละครไงดูละครแต่ถามว่าเอามาเป็นเป็นอะไรในใจไหมไม่พไม่ไม่ได้เอามาเป็นอ่จะค่ะพอจบก็คือก็แค่เหมือนได้รู้แล้วถ้าดูให้เป็นธรรมมันก็เป็นธรรมทุกอย่างมันเป็นธรรมได้ใช่ไม่มีอะไรเท่้งแท้แน่นอนมีเกิดมีดับมีเจริญมีเสื่อมเป็นธรรมดาอ๋อหลวพอปอก็ทุกวันนี้ก็เห็นเห็นพอเห็นอะไรทั้งโลกมันก็ มันก็ได้เอามาพิจารณามันเป็นจริงอที่ธรรมะที่หลวงมาให้ทุกข้อไในในโลกที่เราเพิ่งเพิ่มมันได้อย่างแท้จริงค่ะเจ้าค่ะนี่ก็แอ บ, บดีใจที่ได้มาเจอธรรมะแท้เจ้าค่ะหลวงพ่อเพราะว่าหนูเมื่อก่อนเรียนตามตรงว่าก็ไม่ไม่รู้เรื่องเลยว่าการเป็นชาวพุทธเนี่ยเราเราต้องยึดอะไรเป็นหลักก็เคยแอบบ แอบไปหาทิพพึ่งอย่างที่ไปทําทานไปอะไรเนี้ยค่ะไปไปเป็น hmm. อาสตแต่แล้วเสร็จแล้วก็เรียนรู้ว่ามันไม่ใช่ที่ของเราอะค่ะเหมือนกับว่ามันมั น, ม, นมันไม่ได้ทําให้หมดทุกมันยิ่งทําให้รู้สึกว่าทุกตอนที่ hmm. ทิพก hmm. าระ น, น, นะคะ hmm. ได้มาเจอธรรมะที่หลวงพ่อสอนนะคะเรื่องศรรีลสมาธิปัญญาก็เลย hmm. ไ, ได้รู้ว่าจริงๆแล้วการทําทานเนี่ยมันเป็นแค่จุดเริ่มต้นแต่ว่าสมาธิเนี่ย ถ้าถ้าหนูสามารถทําได้เนี่ยหนูหนูจะมีความสุขที่ถาวรมากเลยหนูหนูรู้ตรงนี้แล้วหนูรู้สึกว่าเออหนูต้องต้องหนูหนูมีความสุขกับตัวดูกับตัวเองได้ค่ะไม่ต้องออกไปข้างนอกความสุขแท้จริงใน ต, ตัวเรานี่ยนะต้องขอ บ, บคุณหลวงพ่อมากเลยนะคะเขา<อ>ทำให้หนูแบบตัดสินใจได้หลายๆอย่างเ อ, อดูแลเขม ขอบคุณคุณหลวงพ่อมากจริงๆด้วยค่ะห <Okay. S 2> วังว่ า, าจะสามารถเดินทางตามหลอยธุบันได้ค่ะโอเคติด <Ha. S 1> ตามธรรมะไปเรื่อยๆนะธรรมะ <Ha. S 1> จะช่วยให้กําลังใจเราไปตลอดทางค่ะหวังว่าหวังว่าท่านหนูออกจากงานตอนห้าสิบต้องจริงหนูจะสามารถทําได้อย่างที่ ท, ที่ที่ตัวเองตั้งสัจจะแล้วก็มีมีความได้ทําได้ถ้าเรามีความตั้งใจมันก็ทําได้ ความพยายามอย่านี้นะความสำหรนั่นนะค่ะจะพยายามต่อไปเจ้าค่ะหลวงปอ่่าธุาธุอ่คุณดุษฎีเป็นยังไงกลับถึงบ้านนะวุ่นวายไหมน้ำมสการค่ะพระอาจารย์น้ำการค่ะพระกลับถึงบ้านก็วุ่นจริ ง, รงๆค่ะอาจารย์ ที่เขาบอกว่าบ้านเป็นวัดนิยมว่ามันไม่ใช่นะคะใช่ยากเยอะเลยค่ะถค่ถ้าอยู่คนเดียวถ้าอยู่คนเดียวทำบ้านเป็นวัดได้ใช่ค่ะแต่ว่าก็พอที่ฟังน้องๆเขาคนนั้นไม่กลัวคนนี้ไม่กลัวยมรู้สึกอายจังแต่ก็การขึ้นเข่ารอบนี้นะคะมีความรู้สึกอย่างเดียวว่าเวลามันผ่านไปเร็วมากเช้ามืดเร็วมาก ทุกอย่างเวลามันเร็วมากเลยค่ะมันไม่เหมือนกับความรู้สึกที่เคยอยู่ก่อนๆ น, นี้ค่ะเขาบอกว่าเวลามีความสุขเวลามันจะผ่านไปเร็วใช่ค่ะแล้วก็อ่สิ่งหนึ่งที่เจอคือมันมันมีความสุขอย่างที่อาจารย์บอกอะค่ะว่ามันมันสุขแบบไม่รู้จะพูดยังไงค่ะไม่เคยเป็นค่ะอาจารย์อืมนันะความสุขที่เกิดจากความใช่มมันเป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวง ลูกก็เปลี่ยนหน้าจอเพราะมันหายไปค่ะคือใช่ค่ะยมเข้าใจคําพูดของพระอาจารย์รอบนี้คือแบบมันสุขแบบนี้เองเหรอแบบนี้เหรอที่สุขค่ะจารมันเจอสุขแบบนั้นนะคะแล้วก็มีเศรษฐีที่มาบวชสมัยพุทธการคนหนึ่งเวลาบวชแล้วก็บรรลุธทําแล้วก็เดินไปไหนก็พึ่มความสุกเนาะสุกเนาะสุกเนาะพาไม่รู้คิดว่าไม่มีสติไปฟ้องพระพุทธเจ้าพระเจ้าก็เรียกมาสอบถาม เขาก็บอกว่าก่อนผ ม, มเป็นเศรษฐีก่อนจะมาบวชมีแต่เรื่องมีแต่ปัญหาเต็ไมไปหมดแต่พอผมมาบวชเนี่ยเรื่องราวต่างๆปัญหาต่างๆหายไปหมดมหลืแต่สุขเนาะสุขเนาะสัธุค่ะแล้วก็วันนี้นะคะมันมีบททดสอบเข้ามาข้อหนึ่งค่ะอาจารย์โยมต้องขับรถพาสุนัขไปใช้ให้น้ำเกลือที่สุไหงกโลกใช่ไหมคะสิหกกิโลจากบ้านโยมแล้วก็มาประมาณหกโมงกว่า ฝนตกหนักมากฟ้าครล้มดํามืดเลยค่ะแล้วก็ฟ้ามันลงมาเป็นเป็นเป็นสายฟ้าค่ะอาจารย์ตลอดเส้นาทางนะมันเหมือนกับลงฟ้าแลบแต่มันลงมาเยอะมากค่ะอาจารย์ตลอดเส้นทางโยมเป็นคนขับนะคะเพราะว่าสามีเขาลวกกลางคืนเขาจะมองไม่เห็นโยมเป็นคนขับแต่สิ่งหนึ่งที่เจอคือไม่ได้กลัวค่ะอาจารย์ขับปกติแล้วก็รู้สึกแบบขับไปแบบไม่ได้กลัวหรือไม่ได้อะไรเลยรู้สึกนิ่งโยมว่า โอ้โหมันความนิ่งมันเป็นแบบนี้นี่เองมันคือมันมันมันทําให้เรารู้สึกว่าโอ้มันเป็นอย่างนี้นี่เองสิ่งที่ได้ค่ะอาจารย์อืมมันมันแบบไม่ตั้งแต่ที่ขึ้นเขามารอบนี้อค่ะเป็นรอบที่มีความสุขที่สุดค่ะอาจารย์อืมแต่ว่าอาจจะอาจจะเป็นเพราะว่ามณฑิการไม่ได้ไปด้วยมั้งเขาเขาโทรมาบอกเขาพออาร์ไปทีไรน้ําตาจะร่วงทุกทีเลยอยากไป อยาไปจะบอกว่าไปด้วยไปด้วยกันบางทีมันกังวลเงี้ยคิดถึงกันไม่นะคะจารย์เราไปเราต่างคนต่างปฏิบัติค่ะจาย์เราจะไม่ไม่ค่ะต่างคนต่างก็ทาค่ะแล้วเราจะไม่จะไม่มีอะไรมากวนกันนอกจากโยมป่วยรอบนั้นเท่านั้นเองค่ะเราก็คือเป็นกัญญาณมิตรที่ดีในการเดินทางค่ะจาย์เขาก็เขาก็ปฏิบัติของเขาโยมเอาเขามาเป็นไอดอลด้วยนะคะถ้าเขาเดินแบบเขายังทําได้ ในบรรดาสามคนทั้งหมด ย, ยมด้อยที่สุดเลยค่ะลูกและมาริกาแล้วยมยมยมด้อยที่สุดยมสู้เขาไม่ได้ในเรื่องของความกล้าความอย่างนี้ค่ะแต่ยมก็อึดะคฮะยมยมถือว่าไม่ใครไม่ไปฉันไปแล้วยังไงฉันก็ต้องไปลอมไม่ได้ประมาณนั้นนะคะ อ, อ่ดีมากแต่ว่าก็เห็นแล้วว่าฟ้ามันแบบฟ้ามาลงหน้าตัวตลอดทางแล้วก็ฟ้าเปรี่ยงตลอดะคะ่ะ สามารถขับได้มันอ้อมันเป็นบททดสอบที่ทําให้ให้ผ่านมาได้ค่ะอาจารย์ อ, อืยม <lawsuit. S 1> <komm> ต้องขอบคุณพระอาจารย์นะคะแล้วก็ในทุกทุกเรื่องค่ะอาจารย์ยมอ่านในหนังสือเข้าสู่แดนนิพพานยมบอกว่ามันเป็นตัวกระทอกิเลสของเราตลอดค่ะอาจารย์ยมพยายามกระเอากิเลตามที่อาจารย์บอกค่ะอืมแต่ว่าค่ะอาจจะได้ไม่มากนะคะเพราะมันหลายปีหลายกลับหลายกันเยอะแต่พยายามกระทอกไปเรื่อยๆทาไปเรื่อยๆ แต่สิ่งที่ได้เห็นนะคะโยมเอาคําของพระอาจารย์มาพูดว่าเดี๋ยวมันก็จบโยมจะเดินท่องที่พอเรื่องอะไรขึ้นมาปุ๊บเดี๋ยวมันก็จบเดี๋ยวมันก็จบบางทีตอนเดินตอนเดินจงกรมนะคะอืคําพูดของซีรีส์พระพุทธเจา้าบอกว่าถ้าคุณไปนึกถึงอดีตนึกถึงอนาคตคุณกําลังสูญเสียปัจจุบันโยมก็เอาวันนี้มาน้อมนำค่ะอาจารย์โยมก็บ อ, อาจะไม่สูญเสียปัจจุบันค่ะอาจารย์แล้วค่ะ อันนี้โยมต้องขอบพระคุณนะคะอาจารย์ทุกสิ่งทุกอย่างเลยค่ะโยมพยายามเต็มที่เลยค่ะอาจารย์อย่าลืมพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก่อนนะที่มาของความรู้ทั้งหมดมาจากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ค่ะใช่ค่ะทุกครั้งก็จะน้อมนํามาก่อนคอาจารย์อน้อมนามาก่อนเสมอแล้วก็มีพี่คนหนึ่งเขารู้ว่าโยมกลัว <c oughs> <c oughs> เขาก็เลยแนะนําโยมว่าให้สวดมนต์กรณียะเมตตาสูตรค่ะพระอาจารย์ พยมสวดบทนั้นปุ๊บโอ้โหมันสะดุ้งเลยว่าให้เมตตาทุกสิ่งทุกอย่างทุกสรรพสัตว์ให้เหมือนมารดาที่มีเมตตาต่อบุตรเหนือชีวิตมันโอ้โหมันเข้าใจเลยค่ะอาจารย์ว่าความเมตตามันต้องถึงประมาณนั้นค่ะอาจารย์นีสาธุค่ะพระอาจารย์ยมขอบพระคุณนะคะขอบพระคุณจริงจริงพิธีญามีอะไรไหม นมัดการค่ะพระอาจารย์ไม่ได้มีไม่มีคำถามอะไรค่ะพระอาจารย์ยังปฏิบัติอยอะบ้างไม่ค่อยไม่ค่อยได้ปฏิบัติเลยค่ะพระอาจารย์ไมงานเยอะเลยใช่ค่ะคือที่ผ่านที่ผ่านมาก่อนก่อนหน้านี้แบบหนูไปขยายแบบว่าไปขยายกิจการไปเขาเรียกอะไรนะคะย้ายที่ค่ะแล้วทุกอย่างมันก็ต้อง ลงทุนใหม่อะไรอะไรใหม่หมดเลยค่ะ <Ừ. S 1> แล้วก็ต้องปรับเปลี่ยนมันต้องทุ่มเทมันมากขึ้นใช่ใช่ค่ะต้องทุ่มเทกับมันคือตอนแรกค่ะอยู่กับคุณแม่ก็คือมันอยู่หลังร้านดอกไม้อะคะกลัวแบบว่ารู้สึกว่าคนไม่เห็นแล้วก็ขบบอนคือแบบว่าแบบเชื่อคุณแม่อสอนชั่วโมงละสามสิบาทแล้วมันแม่บอกว่าเดี๋ยวไม่มีคนไม่มีคนจะเรียนกับเล่าหรอกแต่ว่าปรากฏว่ามันไม่ได้ค่ะพระอาจารย์ กิน ไ, ไม่พอไม่พอค่ากินก็ใช้วิธีแบบเชื่อตัวเองค่ะตอนนี้ก็เลยกลับมาเชื่อตัวเองว่าเออใช้แบบคำนวณต้นทุนตามวิธีที่เราเคยเรียนนะคะแล้วก็คราวนี้พอเริ่มมีทุนมากก็ที่จริงถ้าสมมติอยู่กับแม่ไปก็เงินก็จะเยอะครัา <laughs> จารย์ก็จะได้มีเวลาไปปฏิบตัติแต่หนูก็คิดว่ามันก็อยากให้เป็นสัดเป็นส่วนพอย้ายไปกว่าจะเริ่มลงตัวแต่ว่าพราะเดือนเนี้ยค่ะก็อืนี่เริ่มดีขึ้นแล้วค่ <laughs> ะอาจารย์ก็เดี๋ยวก็เคลีย แล้วก็คือมันก็ไปไหนไม่ได้เท่าไหร่ค่ะในช่วงนั้นเพราะว่ามันก็มันเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านค่ะพระอาจารย์ค่ะแต่ว่าถ้าสมมุติว่าจะจะไปก็คือต้องก็จะต้องอยู่ในช่วงที่เก็บตังเพรากว่าจะไปได้มันก็ใช้เงินหลักหมื่นเหมือนกันค่ะพระอาจารย์ถ้าสมมติมไปที่นู่นแต่ถ้าอยู่อยู่ที่บ้านก็ปฏิบัติยากค่ะเพราะว่าทุกอย่างสิ่งววดล้อมมันไม่ได้เอื้อขนาดนั้นค่ะพระอาจารย์ ม, มันมีเสียงรถยนต์เสียงนู่นเสียงนี่มัน มันไม่เหมือนเราเข้าไปอยู่วัดอยู่ป่ามันรู้สึกว่าเราต้องใช้กําลังสติหมดทุกอย่างอคะ่ะอยู่บ้านก็มันไม่ค่อยน่ากลัวง่วงท่านนั่งสมาธิมันก็ง่วงได้คะ่ะของง้อใจก็เยอะด้วยอะไรนะคะของง้อใจก็เยอะด้วย <c oughs> ว่าถ้าสมมุติ <c oughs> ว่าจะไปจะไปหนูคงไปคนเดียวค่ะหนูเป็นคนละสไตล์กับแม่กับอาจารย์มาริกาคะ่ะหนู แนวลุยเดี่ยวค่ะพระอาจารย์แต่ว่าแต่เมื่อก่อนคุณแม่สอนหนูนะคะพระอาจารย์ว่าอย่า ก, กลัวเป็นคนกลุ้มมิ่งหนูเองเลยค่ะว่าอย่า ก, กลัวไปไปที่ไหนต้องเข้มแข็งต้องหนูก็เลยเป็นคนไม่กลัวอะไรเลยค่ะพระอาจารย์หนูเพิ่งมารู้ทีหลังเนี่ยค่ะว่าแม่แม่กลัวขนาดนี้่ <c oughs> แต่ว่าแม่แม่สอนค่ะว่าแบบไม่ต้องกลัวอยู่คนเดียวก็อยู่ได้เราเรา <c oughs> ต้องพึ่งตัวเองให้ได้ไปอยู่แบบหนูก็เลยกลายเป็นคนแบบนี้ค่ะพระอาจารย์ อืมพอดีบทสอนม่กลัวเรื่องของเขาไปไม่เกี่ยวกับเราหนูหนูก็เลยงงค่ะพระอาจารย์พอตอนหลังแม่มาบอกพระอาจารย์ว่ากลัวคือแบบว่าหนูไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่ว่ากลัวอะไรกันอะไรค่ะแต่ว่ามันก็คือคนระดานกันค่ะึ้นแบบเรื่องเรื่องแบบเรื่องผีเรื่องอะไรเงี้ยค่ะหนูไม่กลัวค่ะแบบถึงจะเจอก็ก็ไม่กลัวค่ะพระอาจารย์หนูคิดว่าเขาเหมือนคนทั่วไปแบบมันคุยคุยกันได้ถ้าเขาจะต้องการอะไรก็พูดอะไรเงี้ยค่ะ คือแต่ว่าหนูก็ไปอ่อนไหวเรื่องอื่นค่ะมันเป็นคนระดานกันค่ะาาอาจารื์ก็ต้องฝึกส่วนใหญ่หนูมีปัญหาเรื่องคนมากกว่าค่ะคำพูดของคนค่ะเข้ไม่เหมือนกันใช่ค่ะเรื่องเรื่องผีเรื่องเดิน <c oughs> เดินในป่าคนเดียวหนูล อ, ลองไปฝึกหนูก็เดินได้มันมันไม่ได้ต้องต้องสร้างค่ะเหมือน น, น่าจะแบบว่ามันไม่เป็นของมันค่ะโอเ <c oughs> ค เอาตอนี้ก่อนนะยังไม่คนนอยเยอะโอเคหากคุณยินดีต่อมดีค่ะท่านอาจารย์ลูกไม่มีคําถามค่ะก็เข้ามากล่าวเหมือนเดิมค่ะเดบิวต์ป่าเหมือนเดิมมองสองเต้เหมือนเดิมขอโทษค่ะท่านอาจารย์ค่ะท่านอาจารย์ขอบคุณเหมือนเดิม ค่ะขอบคุณน่าอาจารย์นะคะแม่ีโบกูเมือนเดิมค่ะขอบคุณค่ะค่ะทุกค่ะมาอเมริกาอเมริกาให้ก่อนหัวเลยหรือว่าดผมหรว่าผมเที่ก่อนหัวไม่ค่ะถูกผมค่ะอาจารย์ทีว่าทีว่าบรรลุแล้วก่อนหัวเ ก็ให้ได้เหมือนดังพี่พ่อาจารย์ว่านะอาจารย์เพราะว่าคุยกันอยู่กับอังสาวว่าเราได้ปฏิอ่าไปปิดไปป็นเสียงเข้าป้อนใหม่อังกฤษาไปกดอะไรเข้าเสียงมันหายอ่าไปได้ะอ่าพูดได้นะโอเคค่ะก็ก็ คุยกับคุณอาวสาอยู่ว่าตอนนี้ว่าเมื่อเราก็ปฏิบัติอยู่ก็ของบุญกุศลนั้นก็ก็ให้เราได้ตัดโคตัดชาติไปอย่างน้อยก็การปฏิบัติในช่วงนี้นั้นเราไปปฏิบัติคุไอย่างลูกต้องดูแลพ่อก็คลอาขึ้นไปปฏิบัติดังนั้นการพบปัญหามันก็ต่างกันไปแต่การที่ลูกอยู่บ้านก็ได้ปฏิบัติในลักษณะหนึ่งก็คือ กันเตตาอาจจะว่าเป็นจริตที่ว่าลูกก็ต้องเป็นคนที่โมโหมา ก, ก่อนพูดมากมาก่ อ, อพอได้อยู่ในจุดนี้มันก็ซบลงความมีเมตตาการเสียสละความไม่เห็นแก่ตัว yeah. ใช่ค่ะพระอาจารย์แล้วก็ชใช่มีประโยชน์มากมายอือย่างน้อยก็ได้เราบอกว่าความเมตตา เป็นสิ่งที่มันลึกซึ้งแล้วก็มุทิกาดังนั้นเราก็จะตัดไปเยอะค่ะพร ะ, าะอาจารย์ในตรงนี้เราตัดไปเยอะค่ะว่าเออน่นเราไม่ต้องไปไม่ต้องไปคิดถึงคนอื่นไม่ต้องไปเทอว่าคนอื่นเราก็อยู่นิ่งๆของเราอยู่ี่บ้านอยู่กับพ่อมีเวลาอยู่กับพ่อแล้วก็พ่อทำผิดอะไรเราก็ยิมเราไม่ต้องแบบอืมอะไรพ่อนี้ยอ่าจะจะไม่มี จะถ้าจะมีก็มีน้อยลงซอฟตลงเยอะในจุดนี้ก็คือจะได้ฝึกอในจุดนี้แต่ก็บอกแล้วว่าถ้ามีโอกาสไปคุณอ า, าอุตส่าบอกว่าจองนล้วนะไปเดือนหน้าไปอีกแล้วเหรอใจแป้วเลยค่ะอาจารย์ยอมรับว่าะใจแปลวเพราะว่าเหมือนเดีวที่คุณอาว่านั่นแหละก็ถ้าขึ้นไปบนเขามันจะได้ปฏิบัติได้อย่างแบบเต็มที่ลืมต้นพลิกลืมต้นมะเขือไปเลยค่ะว่าอาจารย์ ก็ ล, ลืมไปเลยตรงนั้นเนี่ยนั่ได้ปฏิบัติไอ้เต็มที่แต่ดังนั้นก็ขอบารมีบอกแล้วขอบารมี อ, องค์ อ, องค์ก็าสามมาสามทุกจ้าวบูคุณของครูบาอาจารย์โดยจะพระพ่อ า, าจารย์ที่สั่งสอนมาก็ขอให้เดินผ่านตรงนี้ให้ได้สําเร็จค่ะเพื่อจะบอกว่าอย่ว่าสมสมานะาสาาบ า, าัติปัถนานนะจากสาธุเจ้าพรอาจารย์ลูกไม่มีคําถามจ้่ไหมวันนี้ครูนิงต่อวันูนี้ าการรักษาค่ะพระอาจารย์ได้ยินไหมคะชัดเจนจ้ะค่ะค่ะพระอาจารย์ก็ปฏิบัติอยู่ค่ะพระอาจารย์แต่ว่าก็เหมือนแล้วา่ช่วงไปเหมือนอาทิตย์ที่แล้วค่ะที่ได้บอกพระอาจารย์ไปนะคะที่ไปเที่ยวกับเพื่อ น, นแต่ก็พยายามที่จะทำให้มากขึ้นแ้วก็คือเริ่มที่จะทำได้รู้เลยว่าโอ้โหถ้าขาดช่วงไป นะครับเพื่อจะกลับขึ้นมาใหม่อะไรเงี้ยมันก็จะทำให้เราแบบงอนเงนงอนเงนอยู่แต่ก็คิดว่ามันยังมีพอมีเชื้อไฟอยู่อะคะับพระอาจารย์ก็พอทำได้อาจจะสติอย่างน้อยเหมือนที่พระอาจารย์อบอกนะคะก็เลยมาเจริญสติเพิ่มขึ้นก็เลยกลับมาเพียงแค่ว่าอ า, อาจจะ ไม่ได้ไม่ได้นิ่งแต่ว่าก็ยังทําได้อยู่ตลอดเวลาอยู่าาาค่ะพระอาจารย์อืค่ะแต่เวลาไปทํางานก็อไม่ได้ไม่ไ ด, ไได้ไม่ได้ทําำค่ะพระอาจารย์แต่พระว่าก็คือพยายามที่จะออพูดโทรแต่เวลาเวลาเราใช้ความคิดเราก็ไม่ได้อ่าไม่ได้ทําอันนี้ก็คือพยายามที่จะให้รู้ตัวค่ะพระอาจารย์ยังทําถูกอยู่ใช่ไหมคะพระอาจารย์ค่ะ เราก็พยายามอย่าอย่าไปหองทางอย่าไปหองทางพยายามดึงตัวกลับมาให้อยู่ในทางค่ะค่ะพระอาจารย์พอดีว่ามีโปรเจกที่จะทําให้ให้สําเร็จนะครับพระอาจารย์ถ้ามันจำเป็นก็ทําไปอจริงๆก็ไม่ได้อยากจะทําครับพระอาจารย์แต่ว่ามันก็ต้องทําเพื่อครอบครัวครับพระอาจารย์เพราะว่าอืมเราเป็นที่พึ่งนี่เราก็เลยแบบอ่ะ โอเคก็ต้องพยายามที่จะต้องช่วยแล้วก็คือทำต่อไปอะค่ะพยานถ้าไม่ไม่ทำก็คือไม่ได้แต่ก็จริงๆแล้วอะ่ะอยากจะวางทุกอย่างแต่มันก็เป็นไปไม่ได้ครับอาจารย์นตอนนี้เหมือนกับว่ายังไม่ถึงเวลายังไม่ถึงเวลาค่ะค่ะพระอาจารย์หนูก็ต้องทำต่อไปครับเลยการเป็นว่าต้อง ไปวิ่งอย่อนเดิมแต่หนูก็ต้องปฏิบัติต่อไปค่ะว่าอาจารย์ก็พาเด็กๆไปเหมือนเดิมค่ะอาจารย์ดีค่ะพระอาจารย์ขับพระคุณคุณมณฑลต่อคุณมนทณฑลเชิญคุณเข้ามาครั้งแรกเลยคุณมนทณฑลใช่ค่ะอยู่ที่ไหนเชิอยู่นนทบุรีค่ะอมีอะไรไหมค่ะ่ดิฉันจะมาขอ อดโทษกับพระอาจารย์ค่ะดิฉันเคยเอคิดในทางอภสุนตตอนที่ฟังคําจากพระอาจารย์ค่ะเมื่อหลายปีมาก่อนค่ะอตอนนั้นพระอาจารย์เทศเรื่องประมาณไม่ให้เราไปสนใจเรื่องชาวพานมากอะเจ้าค่ะแต่ตอนนั้นก็ยังไม่เข้าใจว่าทําไมเราไปช่วยหลายชาวพานไม่ได้อะไรอย่างนี้เจ้าค่ะ ใช่ครับมองในคนลมุมไปเรามองในมุมขอนักปฏิบัติก็ต้องการจะเก็บตัวแต่ถ้ามอ ง, ค, มองนคนคนสัง เ, าเขาเรียกคนสังคมสงค์เาก็ต้องก็ต้องมองคน อ, อื่นช่วยคนอื่นคนละมองค่ะเออทีฉันยังไม่ยังไม่เข้าใจเมตตาระดับทานเราอยู่ระดับภาวนาพยาภาวนาเนี่ยมันระดับเห็นแก่ตัวไม่อยูก่กับใคร คเข้าใจไหมเข้าใจค่ะเข้าใจขึ้นค่ะเข้าใจหลังจากนั้นนะคะว่าพอเราไปยุ่งกับเรื่องชาวบ้านมากแล้วก็คือเราก็ไม่ได้ยุ่งกับเรื่องตัวเองเราก็ไม่ได้พัฒนาตัวเองเจ้าค่ะอืมใช่แล้ก็ตื่อยู่แบบใช่แล้วก็รู้สึกว่าแบบวุ่นวายตลอดอะไรเงี้ยหลังจากนั้นก็เลยลดความวุ่นวายเอ่อยุ่งเรื่องชาวบ้านน้อยลงเจ้าค่ะอืมก็เลยรู้สึก สงบมากขึ้นก็เลยเข้าใจที่พระ อ, อาจารย์เอเทศตอนนั้นว่าทําไมเราไม่เอออย่าไปยกเรื่องสภาพมากครับค่ะเออเแล้วะมีดวงตาเห็นธรรมแล้วเข้าใจหลักธรรมแล้วไม่ยังไงมหลักธรรมคือความสงบนะค่ะขอบคุณเจ้าค่ะแต่ถ้าเราอยู่ในระดับที่ต้องช่วยคนอื่นแล้วทําให้เราสงบก็ช่วยคนได้แต่ถ้าเราต้องการที่จะให้ได้ ความสงบที่มากกว่านั้นเราก็อาจจะต้องหยุดช่วยเขาแล้วมาช่วยตัวเราเองให้มากขึ้นคือตอนนี้ก็คือพยายามช่วยตัวเองก่อนค่ะ เ, เพราะว่าถ้ายังไมเก่งไม่จะไปช่วยคนอื่นคงมไม่ได้เจ้าค่ะถ้าเรายังไม่รอดก็คืออัตตาเหียนธนนาถน ะ, ะเจ้าค่ะมีมีอะไรมีคำถามอะไรไหมเออจะจะสอบถามเจ้าค่ะว่าอาธิษฐานบา ร, รมีนี่เป็นยังไงเจ้าคะ คำว่าธิษฐานคือความตั้งตั้งเป้าหมายว่าเราจะต้องงานอะไรต้องการนิพพานต้องการสมาธิต้องการอะไรนี่คืออธิษฐานไม่ใช่ขอส่วนใหญ่มันมีสองความหมายแต่คนไทยเราจะเข้าใจคาว่าอธิษฐานว่าขอขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ได้ลูกได้งานได้สามีได้อะไรต่างๆอันนี้ไม่ใช่หมายถึงในในภาษาของพระภาษาของพระหมายถึง เราจะต้องทำอะไรเราต้องตั้งเป้าหมายก่อนเช่นคืนนี้จะเข้ามาในห้องซูมนี้ก็เป็นอธิษฐานนะตั้งเป้าหมายว่าคืนนี้เราจะตั้งมาที่ห้องซูมนี้ถ้าเราไม่ตั้งเป้าหมายไว้เราก็อาจจะไปทำอย่างอื่นแทนเราบางทีเราต้องตั้งเป้าหมายไว้เพื่อจะได้บังคับตัวเราเองให้มาทำในสิ่งที่เราควรจะทำแต่เราก็ใช้คาว่าขอใช่ไหมเจ้าคะขอให้เราได้ทำอย่างนั้น ได้เหมือกับว่าขอไปใช่ไหมคะแต่ว่าเราไม่ได้ขอว่าอใช่ไหมคะขอให้เราได้ทําใช่ไหมจะขอให้เราได้ทําในสิ่งที่จะทําให้เกิดประโยชน์กับเราเช่นขอให้ทําบุญทุกวันขอให้ใส่บาตรทุกวันอย่างเงี้ยได้อยู่แต่จะอย่าไปขอความสุขจากการใส่บาตรไปที่ไม่ได้ใส่บาตรมันไม่ได้ก็คือขอให้เราได้ทําเพื่อที่จะได้ให้ผลเกิดขึ้นอย่าไปขอผลคนจะอย่าไปขอผลไม่ขอเหตุไม่ขอเหตุใช่ไหมคะขอให้เราได้ทําเหตุ เหมือนพระพุทธเจ้านั่งที่ที่โต้นต้ น, ตนโพแล้วก็ตั้งสัจจะอธิฐานเนี่ยมันจะนั่งภาวนาเนี้ไปจนกว่าจะสัตย์รู้นี่อันนี้ะนะอธิษฐานสัจจะแปลว่าความความความความจริงใจความที่จะไม่เปลี่ยนใจนี่สัจจะตั้งอะไรไว้แล้วก็จะไม่ไม่เปลี่ยนใจถ้าไม่สัจจะผูกใจไว้บังคับใจให้ให้ทําตามที่เราตั้งเป้าหมายไว้จนกวก็จะสําเร็จ เพราะถ้าเราไม่ตั้งไว้ใจเราชอบโดนไองตั้งใจจะมาวัด<า>วเดี๋ยววันดีเพื่อนเชิญมาไปเที่ยวกันไหมไปเลยแต่ถ้าเราตั้งว่าเราจะตั้งใจว่าเราจะมาวัดนี้พอถึงเวลาเพื่อนมาชเชิญไปไม่ได้นั่นแหะเพราะเราตั้งใจจะไปวัดนี้าการตั้งใจมันเป็นการมันกบ็บังคับใจให้เราไปทําในสิ่งที่เราคิ ด, ดว่าดีกับเราเลยพอใจยัง ใจแล้วเจ้าคะ่ะก็คือขออย่ากขอให้บรรลุมรรคผลที่พ่านในชาตินี้เลยขอที่เฉยมันไม่ได้หรอกมันต้องปฏิบัติค่ะด้วย ข, <อ>ขอให้เกิดไปแล้วเจอพระพุทธศาสนาทุกภพกทุกชาติมันก็ไม่ได้เหรอทำไนขอใครจะเลยกาหนดได้จะได้เจอหรือไม่เจอมองบางอย่างมันไม่ได้เกิดจากการขอขอไงก็ไม่ได้ถ้ามันจะไม่ถ้ามันจะไม่ได้มันก็ไม่ได้แล้วข อ, อยังไงให้ได้เจ้าคะ่ะ ยังทําไงต้องทำต้อาทําไม่ได้ต้องขอให้เราทําขอในในสิ่งที่เราทําได้แต่ถ้าไปขอในสิ่งที่เราทําไม่ได้ขอไงมันก็ไม่ได้ใช่ขอให้ไปเกิดเจอพ่อแม่คนเก่าในชาตินาเนี่ยขอได้ไหมเหรอใช่ไหมมันอาจจะได้ก็ได้แต่มันไม่ใช่เป็นของที่เราจะกําหนดได้โอเคเข้าใจนะเข้าใจแล้วค่ะกลับขอบคุณที่อ่าสาธุอ่าคุณจอยต่อ ยังไงลูกชายไม่ได้เห็นกระโดดอยู่ข้าหนอนแล้วเลยไม่ใช่ค่ะไอคนกลางไอตัวพกลางอ่ะค่ะ่อ่ะค่ผู้หญิงอะค่ะอืมเานอนอยู่ห้องนี้นู่นมาคุยที่ห้องเขาค่ะ อ, อ๋อมีอะไรัหมก็คือที่พาจา์ผอมไปก็คือดีดีดีขึ้นยอมหยุดเย็นก็คือช่วยได้จริงอ่ม การ่เราเป็นแพชนะเป็นมาในท่องราถานี่ว่าแล้วก็อีกเรื่องก็คือการที่เราปฏิบัติธรรมมากๆอะ่ะมันทำให้เราเห็นทุกข์แล้วเราเจอทุกข์เยอะขึ้นใช่ไหมคะไม่เร า, เราทุกข์มันเจออยู่เรื่อยๆเพีแต่เรามองไม่เห็นนั่นเองแต่พอเราปฏิบัติธรรมแลเป็นสติมากขึ้นเราก็จะเห็นเราจะมองทุกข์เป็นเมื่อก่อนเรามองทุกข์ไม่เป็น แล้วก็คือเอย่างอย่างเช่นที่หลวงพ่อสงสัยว่าทําไมเธอปฏิบัติมากแล้วแบบเธอยังเจอทุกข์อยู่แต่ว่าการเราจอทุกข์แต่ว่าถ้าเราอยู่กับมันได้คือเราเราชนะทุกข์เนี่ยเออนั่นแหละค่ะที่เราดับความทุกข์ได้เราไม่ทุกข์กับมันถ้าเราอยู่กับมันได้เราก็ไม่ทุกข์กับมันอันนี้คือเราไปได้ขั้นหนึ่งแล้วใช่ไหมคะถ้าใช่ถูกต้องค่ะเป้าหมายของการปฏิบัติเขาเพื่อกําจัดความทุกข์ต่างๆที่เราเจอก็ไม่กําจัด ไปทำใจให้เราอยู่กับความทุกข์ทุกระดับได้ให้ได้เขาจะละใครจะด่าเราก็อยู่กับมันได้ใครจะขโมยข้าวขโมยของเราไปก็อยู่กับมันได้ไม่เสียใจคือภาษาพูดว่าขโมยคือหนูทํางานอยู่ใช่ไหมคะเรื่องบัตรแล้วทีเนี้ยหนูโอนเงินให้เขาไปแล้วเขาไม่ได้ไปทําอ่ะเกือบปีน่ะหนูก็ทัวร์เขาอยู่เป็นพักเขาก็ไม่ให้จนหนูแบบอยกให้หนูบอกว่ายกให้แล้วก็อยากแบบ ย, อ ย, อ ย, ย้มย้ำยืนย็นเลยย้ำเสียไม่เอาคืนขอให้โชคดีละกันนเราก็แบบพุยแล้วใจก็ใจก็สงบใจก็สงบขึ้นมาคือไม่งั้นก็พอวงอยู่อย่างงั้นว่าไมไม่คืนสักทีทําไมไม่นั่นทักทีอ่านั่นนะเพราะความอยากได้คืนนะใช่ค่ะก็เลยคิดว่าในเมื่อตัวเองโง่เองก็ยอมซะเถิดจอยอะไรเงนี้ค่ะเป็นข้างโง่ไปเกี่ยเสียข้างโง่ไปก็อพอมาม า, มาคือทำมาคือแล้วมามาเข้ามากัาบอาจารย์ือทุกอย่างคือ มันทําให้เราเราจิตใจเราสูงขึ้นมัน ถ, ถ้ามองด้วยปัญญาคิดว่ามันไม่เที่ยงมันทองไม่ใช่ของเที่ยงแท้แน่นอนมาได้ไปได้กินอย่างนี้ก็ได้ที่พาอแม่เราแต่พ่อจาร์บอกว่าเดี๋ยวก็ตายกันหมดจะไปแลกหนามันก็คือแบบแม่จริงมากหนูกับแม่กับบอกคุยตลอดแม่จริงคือหนูกับแม่จะเชื่อกันสองคนอยู่สองคนแม่ลูกตลอดแต่ว่าคนอื่นเขาไม่ไม่เหมือนกันอืมเรามีปัญญาคนอื่นก็ไม่มีปัญญา ใช่ค่ะแม่อยากจะมาตลอดแต่ว่าพอบำเพ็ญพแม่เขาต้องก็ต้องเรื่องอะไรทำหน้าที่ตั้งผลไม้ขึ้นเจ้าที่อะไรอย่างเงี้ยก็ไม่เป็นไรก็ฝากมาทำบุญก็ได้ทำมาไม่ได้ฝากมาก็ได้ค่ะเขาก็ถ้าให้โอนเงินให้ทำบุญประจัยอยู่ห้าสิบบาทหรือห0สิบาทแม่ห้าสิบบาทได้เหมือนกันใช่ไหมค่ะได้ได้ แล้วที่หนูบอกถามว่าหนูจะถือสินแปดในสัปมันคือยังทำํำทำไม่ได้เพราะว่ามีข้อบครัวทํายากมากเลยค่ะไม่มีสัจจะยิ่งตอนไปอย่าไปตั้งตงคัเให้ให้มั่นใจก่อนว่าเราตั้งทําได้แล้วเข้าไปตั้งสัตว์พาว่าไม่ได้เลยคือตอนแรกออกมาจากที่อยู่บนเขาคือได้มากทําตั้งมั่นๆากือไปกินเลยได้แต่พออยู่ไปแล้วแบบมันเสื่อมสมาธิมันเสื่อมมันหมดกิเลสก็ออกมาเพ่นพ่านได้ใช่ค่ะ แต่ว่าปีใหม่หนูเอ่อที่ปีหนูจะไปอีกแต่ว่าหนูก็ไม่ไแน่ใจว่าจะขึ้นเขาหรือว่าข้างล่างเพราะว่าเพื่อนอยากตามไปด้วยทีนี้พวกนี้แบบเหมือนเขาอยากเห็นเราไปบ่อยเขาอยากแบบว่าขอไปด้วยได้ไหมแต่ถ้าเขาไปด้วยอะ่ะคงขึ้นเขาลําบากเพราะว่าเขาจะเราต้องพาเขาอยู่ข้างล่างเนอะต้องเสียสละทำบุญแทนทำตาทำเมตตาแทนเพราะว่ารอคนโตกลับจากเชียงรายแล้วก็ให้เขาอยู่น้องแล้วก็อาจจะพาเพื่อนๆไปอปีใหม่ดี ค่ะเ okay. อาละเอานต่นี่นะ อ, อ่าเดี๋ยวไปที่คุณสลินทอนก่อนเดี๋ยวถ้าเปิดได้เดี๋ยวค่อยกลับมาใหม่สลินทอนกลับถึงอ่าตอนนี้กลัเป็นภาวะปกติแล้วใช่ไหมปรับตัวได้นะหนูยังทำไม่ได้ในขับพระอาจารย์หนูยังน้อยสามทุ่มตื่นตีนตหนึ่งตีสองอย่างเงี้ยทุกวันเลยค่ะแล้วก็ตื่ น, นจนกระทั่ง วันลุกขึ้นค่ะตื่นแล้วก็อิกทีนอนอีกทีหนึ่งก็ตามทุ่มตื่นทีสองอย่างเงี้ยค่ะอืเป็นแบบนี้กับทุกวันเลยค่ะแต่ก็แต่แต่ช่วงนี้หนูเหลยวไหลอะค่ะบางทีลุกขึ้นมาแล้วมานนั่งดู youtube แทนที่จะปฏิบัติธรรมมันมีมาธรรมดาธรรมดไม่ได้เป็นแม่ชีไม่เป็นแม่ชีมีเมื่อวันคิดขึ้นมาได้ค่ะหลังจากที่ดูข่าวคือหนูไม่ได้ตามข่าวใดๆเลยนะคะพระอาจารย์จนกระทั่งเมื่อวานนี้พอหนูก็เหมือนกับเราก็ดูว่าเออมัน คือมันก็น้อมเข้ามาดูอะค่ะว่ามีราบเสือเส่อมราบมียศเสื่มมีมีสันเสริญมีสุขมีทุก์มีสรนเสริญมีนินทาหนูก็พิจารณานะคะอ่ปัญญ า, า, าเสร็จเราก็จำค่ะแล้วก็ก็คือเห็นตัวทุกอะค่ะตอนนี้มันถึงเหมือนกับว่ามันวัยขึ้นในการในการเห็นอะไรแล้วก็มองมันไปในทางธรรมะมากกว่าใช่ปัญญาเริ่มเร็วขึ้นค่าพอพิจารณาแล้วก็เลยเมื่อคือนก็เลยนั่งสมาธิทั้งคืนก็ ก็เสร็จก็ตอนเตั้งกติสี่จนหกโมงครึ่งเงี้ยค่ะแล้วก็ลองน้อมกลับมาที่ตัวเราเราก็ไม่แน่นอนเหมือนกันชี่เมตตาหนูไม่ทราบหมดหนูเล่าให้พระอาจารย์ฟังหรือเปล่าคะเพราะว่าที่ว่าหนูกลับไปคราวที่แล้วเนี่ยหนูมีญาติเสียชีวิตไปสองคนติดติกันไม่ได้นอนอ๋อค่ะคุณคุณอาหนูสองคนเสียชีวิตติดกันเลยคือกระฐานหันได้ว่าป่วยมานานนะกระฐานหันค่ะคืคนนึงคนนึงนี่เขาเป็นสโตรกอะค่ะ แล้วเป็นครั้งแรกก็เอากลับบ้านพยายามไปรักษาฟื้นฟูให้เขาเดินเหินได้หรือทานข้าวได้เปนปกติแต่ก็เขาก็เป็น s t r o ร e อีกข้างหนึ่งแล้วก็มาเสียเอาในขณะที่ อ, อยู่ที่โรงพยาบาลแต่ว่าคุณหมอรักษาไม่ทันในขณะที่คุณอาคนแรกเสียชีวิตคุณอาคนที่สองก็เข้าไอซียูคนละโรงพยาบาลแล้วก็พอเผาคุณอาคนแรกเสร็จคนที่สองก็เสียชีวิต ติดกันเลยวันวันถัดกันเลยเงี้ยค่ะเราก็รู้สึกว่าก็มีคนถามหนูว่าเป็นยังไงกลับไปเมืองไทยคราวนี้คือหนูไปทําบุญค่อนข้างจะเยอะอะค่ะที่กลับไปคราวที่ผ่านมาแล้วก็มีเพื่อนที่นี่ก็ถามด้วยว่าแล้วเรากลับไปเมืองไทยเรารู้สึกยังไงอย่างเงี้ยเพราะว่าญาติพี่น้องทุกๆคนก็เริ่มคือจากที่ไม่เคยพิจารณามาลานาหนุสติทุกๆคนก็เริ่มพิจารณาเริ่มรู้สึกว่า เขาวหน้าเราอาจจะไม่ได้กลับมาเจอกันแล้วอย่างเงี้ยแต่ในขณะที่หนูอาจจะพิจารณาบ่อยกว่าญาติๆนะคะ่ะยิ่งมากยิงมากเท่าได้ยิ่งดีหนูก็จะไม่รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องผ<อ>ิดปกติเป็นธรรมดาหนูก็จะบอกไม่ว่าหนูจะบอกญาติพี่น้องหนูก็บอกว่าอย่าคิดว่าญาติพี่น้องจะเสียก่อนหนูอาจจะเสียก่อนพรุ่งนี้อาจจะเป็นวันสุดท้ายหรือวันนี้ จ, จะเป็นวันสุดท้ายของหนูด้วยซ้ําอย่าอย่าเสียใจไปเลยนี่มันคือ คือเราจะมองว่ามันคืออาการสามสิบสองะคะะอาจารย์แต่ญาติพี่น้องเขาก็ยังเห็นว่ามันคือความเป็นตัวตนอยู่เป็นตัวตนยังเป็นตัวโดยเฉพาะพ่อคุณพ่อเนี่ยเขาจะไม่ค่อยเข้าหาธรรมะจะไม่จะไม่ฟังธรรมะเลยอย่างค่ะแล้วหนูก็จะพยายามพูดให้เขาฟังอ้อมๆ อ, อ, อย่างเงี้ยคะ่ะแล้วพอเขาไปมีอยู่วันหนึ่งเขาไปใส่บาตรของเขาเองหนูก็รู้สึกดีใจว่าเออเขาเริ่มลุกขึ้นมาเห็น เห็นคุณค่าของตรงนี้นะคะ่ะแต่คือพอเรากลับมาแล้วก็คุยกับเพื่อนๆที่ทํางานนะนะคะ mm hmm. หนูก็เขาฟังว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาการที่หนูจะกลับไปเร็วหรือช้าหรือกลับไปทันหรือไม่ทันงานศพมันไม่ได้มีอะไรแตกต่างกันเลย mm hmm. มันก็คือมันก็คือเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปแล้วเดี๋ยวเราก็ตามไปเท่านั้นเองอย่างนีคะ mm hmm. เราก็พิจารณาอย่างนี้เรื่อยๆเรื่อยๆทุกวันแล้วก็พอเห็นอะไรก็น้อมเข้ามาใส่ตัวตลอดเนี้นะคะ่ะอาจารย์ mm hmm. แต่ก็แต่ก็ยอมรับว่าตอนนี้สติมันน้อยลงต้องต้องเพิ่มกําลังสติมากขึ้นนะคะอืมหนูจะไปสมัครสมัครเขาขอสมัครวัอีกว่าจังสิบวันนะสิบวันกวนก้าวเลยหนูไปไม่ทันหนูสมัครไม่ทันนะคะสิบวันวันก่อนนะคะตอนเช้าหนูเพราะว่าตอนอยู่เมืองไทยเนี่ยมันมันเวลามันสลับกันอย่างหนูก็บอกว่าแปดชั่วโงหนูจะมาสมัครเพราะมันต้องเป็นเวลาของที่นี่ แต่หนูลืมเพราะว่าหนูอาจจะนอนช่วงนั้นแล้วพอตื่นมาอีกทีหนึ่งอา้าวมันผ่านไปแล้วไม่อยู่ยทีกเอ้าวเต็มแล้วเนี่ยค่ะอเต็มเร็วไหมก็เลยได้ออก็ราเอกาศหน้าค่ะอ้าวอากาศหน้าหรือไม่ก็ปฏิบัติที่บ้านไปก่อนนะคะได้ไดพระอาจารย์ค่ะวันนี้หนูก็ไม่มีคําถามค่ะเข้ามารับฟังธรรมนะคะพระอาจารย์อคุณพระอาจารย์มากมากค่ะถูกค่ ะ, ะคุณหมอสุรชนาติเนตรรัศการท่านพระอาจารย์เจ้าค่ะ ลูกไม่มีคําถามเจ้าค่ะสงบดีนะสงบดีเจ้ า, าคา่ะค่ะขอบคุณคคุณยานันย์คุณโกนมามัสการเจ้าค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะนะอ่าเป็นยังไงตอนนี้นะวไหมที่เห็นว่าอ้ที่คาโ ด, ดก็กำลังจะเข้าฟอลค่ะบางวันก็เย็นช่วงนี้ฝนตกก็เลยเย็นนิดนึงเจ้าค่ะพะอาจารย์ แต่อากาศที่นี่เขาเปลี่ยนแปลงแบบไม่ไปยุฝนก็ไ <c oughs> ปไปไปยุฝนก็ก็แล้วเอ้ ย, อย <c oughs> ใช่ค่ะก็บางทีฝนตกแป๊บนึงเดี๋ยวแดดก็ออกคือมีหลายฤดูในวันเดียวกันได้เลยคือมันต่างจากเมื่อก่อนคือพอโลกร้อนสมัยก่อนคือถ้าเป็นฤดูไหนก็คืออากาศมันก็ค่อนข้างเสถียรเดี๋ยวนี้คือ มันอันเอ็กซ์ป ected มากค่ะพอาจารย์ค่ะแต่ก็โดยรวมก็ถือว่าก็ยังอยู่ในที่ที่ธรรมชาติดีอากาศดีมีแบบเราเยอะมีต้นไม้เยอะใช่ใช่ค่ะแบบยังเห็นกวางเห็นแพะเห็นกระต่ายอะไระคะพะอาจารย์ ม, มันก็อยู่ในที่ที่สัปปยะแล้วก็พลังงานดีนะคะมันไม่วุ่นวายอะนะ ค, ะ, คะพะอาจารย์แต่อาจจะมี ว่าคิดถึงบ้านหน่อยเพราะว่าไม่ได้โตจากที่นี่แต่โดยรวมแล้วก็สงบมากๆเจ้าค่ะค่ะก็มาเรียนพระอาจารย์ว่ามาสังเกตตัวเองคือพอฟังทำพระอาจารย์นะคะก็เคยไปกราบพระอาจารย์ที่วัดยานแล้วก็มีโอกาสได้นั่งนั่งสมาธิระหว่างนั่งสมาธิอะ่ะตอนนั้นโก้ใช้วิธีบริกรรมแล้วก็รู้สึกว่ามันสงบจำจำคาสอนพระอาจารย์ได้ว่าถ้าเราบริกรรมเนี่ย มันจะลงได้ลึกกว่าการสวดมนต์เพราะว่าการสวดมนต์อ่ะมันมันมีคำเยอะใช่ไหมคะมันมันมันทำให้จิตเราต้องคิดใช่เจ้าค่ะแต่กล่วเริ่มจากการสวดมนต์กล่าสวดมนต์มาหกปีสวดทุกวันเลยนะคะพระอาจารย์แล้วพอพอมาฟังแล้วก็นั่งได้ตอนที่อยู่กับพระอาจารย์ตอนที่ไปนั่งร่วมร่วมกับญาติโยมที่วัดเราก็มีความรู้สึกว่าเราอะอยากจะปฏิบัติให้มันสูงขึ้น ก็อยากจะบริกรรมแต่ว่าลืมไปว่าบางทีเหตุปัจจัยมันมันไม่ได้อำนวยหมายควาว่าถ้าเราสงบระดับหนึ่งเราจะบริกรรมได้แต่ถ้าอยู่ดีๆมานั่งแล้วก็มาบริกรรมอะ่ะเนื่องจากว่าสติในชีวิตประจําวันก็เพิ่งจะเริ่มหัดเจริญมันก็จะไม่ไม่ค่อยไ ม, ไ ม, ไ ม, ไม่มันมั น, มนใจมันไม่เต็มคราวนี้ยที่ผ่านมาอาทิตย์หนึ่งก็เลย กลับมาสวดมนต์ทุกวันเลยค่ะพระอาจารย์พยายามจัดเวลาก็คือสวดเช้าประมาณชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงครึง่งถ้าไม่ไม่มีอะไรที่ต้องทําธุระพอน้องๆไปโรงเรียนแล้วกลางคืนก็อาจจะได้สักครึ่งชั่วโมงก็รู้สึกว่ารู้สึกดีค่ะพระอาจารย์แล้วเดี๋ยวถ้าสมมติเหตุปัจจัยที่มันทําให้เรามีเวลามากขึ้นพอเราสวดมนต์เรามีเวลามากขึ้นก็อาจจะบริกรรมต่อมันเหมือนเป็นขั้นบันไดที่แบบค่อยๆทําให้ใจเรา สงบมหาวิาญาณก็บางทีอาจจะสลับสวดมนต์บ้างพุทโธบ้างก็ได้บริกรรบ้างก็ได้มันจะเปันยันทั้งส่วนบางบ้างเรื่อยๆบางวันถ้ารู้สึกว่าใจเราไม่ค่อยฟุ้งเราพุทโธได้แล้วก็เราพุทโธไปะไรก็ได้เออเจ้าขาเจ้าค่ะเพราะว่าเพราะว่าเวลาสวดมนต์แล้เหมือนกับเราเหมือนพอเราชอบอะไร จิตมันเป็นมันเป็นสมาธิได้เร็วอะค่ะอาจารย์แต่เข้าใจที่อาจารย์สอนคือว่าถ้าบริกรรมอะความคิดมันน้อยลงมันจะได้ลงได้แบบเหมือนเป็นได้มาขึ้นสงบได้มากใช่ใช่ค่ะแต่ก็พยายามบอกตัวเองว่าสำรวจตัวเองว่าอย่าอย่าเพิ่งข้ามขั้นเพราะว่าถ้าวันไหนมันสงบไม่มากพอแล้วไปบริกรรมแทนที่จะได้อะไรมันฟุ้งมากเลยค่ะพอาจารย์ก็ลองสังเกตเดี๋วลองทดลองดูถ้าไม่ทดลองก็อาจจะไม่รู้ ค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะเจ้าค่ะก็ในชีวิตประจําวันก็เจริญสติอยู่แล้วก็พยายามทําสมถะด้วยการสวดมนต์แล้วก็ถ้าวันไหนที่แบบดูเราอืมเราสงบพอก็จะบริกรรมต่อเจ้าค่ะพระอาจารย์อืค่ะค่ะพระอาจารย์อขอบพระคุณเจ้าค่ะพระอาจารย์อ่าจารย์เมื่อไรจะกลับบ้านเนี่ยว่าจะกลับเมืองไทย อยากกลับทุกเดือนเลยโจ้คะ่ะพระอาจารย์ mm hmm. อยากกลับตลอดแต่เกรงใจสามีแล้วก็เราก็มีหน้าที่ mm hmm. เราก็ต้องใช้อย่างอื่นก็คือ น, นี่แหละค่ะสวดมนต์ฟังธรรมแล้วก็ทุกวันก็จะอาราธนาคิดถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มันก็มีความรู้สึกว่าอย่างน้อยข้างในเรามีเรามีท่านอยู่ข้างในกายเราไม่ได้อยู่ก็ช่วยได้เจ้คะ่ะ mm hmm. ช่วยได้ ดีจ้ะโอเคสาธค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ ะ, ะคุณเจ้าต่อจะากับพี่สาวยังอยู่ในเมืองไทยอยู่ยจ้จะงานมาส ก, การข่าพระอ า, า, าจารย์ใช่ค่ะ อ, อยู่อีกประมาณสิบวันค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะกลับไปที่พแร์ทแ ล, แล้วค่ะพัร์นแลนอยู่ที่เดิมไปกลับไปอยู่ที่เดิมนะอยู่ที่เดิมสักพักหนึ่งค่ะแล้วก็อ่า ดูเรื่องย้ายที่ที่หนูเคยเรียนพระอาจารย์ว่าจะไปเท็กซัสอะยังยังจะไปอยู่เลยะยังจะไปอยู่ค่ะยังยังไม่ใครลงตัวเท่าไหร่ค่ะกอเลยเดี๋ยวจะเทกซัส ม, มันมีอะไรดีถึงจะไปเท็กซัสเนี่ยมีเพื่อนคนหนึ่งแค่นั้น เ, เลยค่ะคือหนูถ้าจริงๆก็คิดว่าพี่สาก็ชวนเนี่ยพี่จ้อว่าชวนอยู่ว่ากลับไทยเลยก็ได้อะไรเงี้ยแต่ว่ า, ายังหนูยังละความมีอิสระภาพอย่าง แบบของการอยู่เมกาไม่ได้ mm hmm. หนูยังรู้สึกชอบตรงนั้นอยู่แต่ว่าก็อย่างที่เรียนค่ะว่ารู้สึกว่าพอแลนด์อิ่มตัวแล้ว mm hmm. อยู่มา20กว่าปีแล้วแล้วก็รู้สึกว่าต้องเปลี่ยนอะไรเพื่อให้เพื่อให้ชีวิตเปลี่ยนแต่ว่าค<อ>ิดว่าน่าจะการเปลี่ยนที่พอนอจะไม่ดีช่วงช่วงฤ ด, ดูหนาวฮะพมาเยาอะหนูชอบนะคะจริงจริงหนูชิน mm hmm. หริจริงแล้วหนูชอบฝนเพราะซึ่งพอแลนดมันฝนตกแบบ ประมาณเก้าเดือนเลยประมาณอย่างเงี้ยเลยค่ะแบบเจ็ดแดเก้าเดือนอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะมีช่วงหน้าร้อนจริงๆแค่ประมาณสามสามสี่ห้าเดือนเอมก็หนูไม่ไม่ค่อยติดเรื่องอากาศเท่าไหร่ค่ะอืก็แค่รู้สึกว่าเป็นอิสระมากกว่านะติดแค่ความรู้สึกว่าน่าจะต้องย้ายหนูแค่รู้สึกว่าชีวิตมันไม่มีอะไรเปลี่ยนซึ่งจริงๆหนูรู้สึกว่าเนี่ยมาพอมาพูด ออกมาชัดๆอย่างเงี้ยแล้วหนูรู้สึกว่ามันช่างผิดเหลเกินเพราะว่าหนูก็ย้ายจากทางโลกด้านหนึ่งไปทางโลกอีกด้านหนึ่งมันก็เหมือนไม่มีอะไรพัฒนาค่ะจริงๆหนูควรจะนหนูควรไหไม่ควรหาอะไรใหม่เปลี่ยนเพื่อที่จะยิ่งยิ่งกลายเป็นวุ่นวายเข้าไปใหญ่อะค่ะจริงๆแล้วอะอืมแต่ก็ไม่รู้คะ่ะพระอาจารย์ยังคิดไม่ตกยังไม่สามารถลักความยังไม่กล้าง เขา อ, อยากเปลี่ยนเขา อ, อยากเจริญทางด้านหน้าที่การงานอันเนี้หนูแบบไม่ลงจริ ง, รงๆค่ะพระอาจารย์คือตรอบใดที่ยังไม่รู้สึกว่าเราถึงจุดที่เราภูมิใจในตัวเองว่าเออเราทําได้อะไรอย่างนี้ค่ะหนูคงแบบอีกพักหนึ่งอาจะอจะต้องอาจจะต้องรอให้มันเบื่อก่อนเบื่อทําโลกก่อนใช่ไหมคะพระอาจารย์ก็ ม, <laughs> ม่เป็นไร <laughs> ขอให้เบื่ออะไรนะคะขอให้เบื่ อ, อเออรเอ็วๆนะ ใช่คะ่ะหนูขอขอให้เบื่อเพราะว่าสาเร็จแล้วเราก็เลยพึงพอใจก็เลยเบื่อไม่ใช่ว่ามไม่ใช่ว่ามไม่ อ่มาได้ยินธรรมะของพระอาจารย์ใหม่ๆเข้าสู่ใหม่ๆอ่ะหนูแบบเข่งมากนั่งแบบมีการถือศีลแปดด้วยนะคะพระอาจารย์แล้วก็นั่งสมาธิอะไรอย่างเงี้ยค่อนข้างเป็นประจําแล้วก็ตั้งแต่ช่วงหลังมาช่วงปีนี้แหละค่ะเริ่มต้นต้นปีรู้สึกทุกอย่างในชีวิตมันมันช่างแบบไม่ดีเอาซะเลยแล้วก็แทนที่ว่าจะกลายเป็นเอาความทุกข์นี้มาปรงเราเข้าหาทางธรรมมากขึ้นหนูกลับกลายเป็น เหมือนกิเลสมันสู้หนักอะค่ะมันมันเกิดเป็นความทานงตัวเป็นความมีมานะขึ้นมาว่าแบบอ้าวแล้วทำไมถึงทำไม่สำเร็จไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแทนที่เอาเวลาที่เคยทำในทางทำมากิเลสมันขโมยไปหมดเลยกิเลสมันก็บอกว่าเอออย่ามาเสียเวลานะั่งสมาธิเลย <laughs> <laughs> ไปไปหาข้อมูลไปทำการตลาดไปอะไรพระจารุ่นเละเทะมากเลยค่ะปีนี้ คือถ้าทุกคนในซูป ส, สังเกตถ้ามีใครจำหนูได้คงจะเห็นว่าหนูหายหน้าหายตาไปช่วงหลังๆเข้ามังไม่เข้ามัง่งอะไรอ่ะค่ะค่อนข้างแย่เลยทีเดียวเลยก็พยายามพยายามเตือนตัวเองวันนี้ด้วยความที่เป็นวันเกิดที่สาวค่ะหนูเลยพา ก, กันมาขอพรจากพ่ะอาจารย์ค่ะก็อขอให้มีแต่ความสุขความเจริญความสมหวังในทุกสิ่งทุกประการแล้วก็อยากกลับมาเกิดอีกนะ ขอบคุณค่ะพระอาจารย์สาธุค่ะไม่มีไม่ไม่มีคําถามเลยนะมีไหมไม่มีค่ะพระอาจารย์ค่ะวันนี้เข้ามาฟังคำกับน้องค่ะคระอาจารยอเคขอให้เอาไปปฏิบัติต่อนะค่ะขอบคุณค่ะพระอาจารย์สาธุค่ะพระอาจารย์หนูมีคําถามหนึ่งค่ะเรื่องเกี่ยวกับอ่าเรื่องกรรมอะค่ะพระอาจารย์คือหนูมีเพื่อนคนหนึ่งที่หนู มีความรู้สึกอยากให้เขาเป็นอย่างนู้นเป็นอย่างนี้จนกระทั่งมันเกิดเป็นความทุกข์ของหนูซึ่งหนูก็เลยตัดสินใจว่าโอเคเราเปลี่ยนเขาไม่ได้หนูก็เลยเลิกแบบเลิกติดต่อเลิกคุยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เดินแยกออกมาซึ่งหนูรู้ว่ามันทำให้เขาเสียใจแต่ว่าตอนที่คุยกันครั้งสุดท้ายคือเขาก็บอกว่าเออเขาเขาไม่โกรธนะเขาเข้าใจอะไรประมาณเนี้ยค่ะคาถามของหนูก็คือ การที่หนูทําถึงแม้มันจะไม่ได้เป็นการผิดศีลอะไรเพราะว่าหนูก็ไม่ได้ถึงไม่เราไม่ได้ทะเลาะอะไรกันไม่ได้โกหกแล้วหนูก็พูดของตรงว่าเออหนูขอแบบแยกออกมาอะไรเนี่ยค่ะมันจะทําให้เป็นกรรมไหมคะหมายถึงว่าหนูจะชาตินี้หนูจะไปวันหนึ่งเจอเพื่อนที่อยู่ๆก็ไม่พอใจอะไรสักอย่างแล้วก็เลิกคบหนูอะไรแบบที่หนูทํากับคนนี้ไหมคะมันก็จะเกิดขึ้นได้ทําสิ่งใดไว้มันก็อาจจะกลับมาหาเราได้ค่ะ ก็ไม่เป็นไรถ้าเราถ้าเราทําใจว่าเราอยู่ในโลกที่ไม่มีอะไรแน่นอนเราก็อย่าไปยึดไปติดกับใครกันแล้วกันออืเพื่อที่ว่าถ้าวันหนึ่งเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับเราเราจะได้ความใจได้ว่าอ้าวหรือว่าเป็นเวรเป็นกรรมอะไรคิดว่อเป็นการใช้กรรมไปหรือว่าเป็นเรื่องอนิจจ์ไปแล้วอยู่ในโลกที่ไม่มีอะไรแน่นอนเพราะหนูก็เคยพยายามคิดว่าเออหรือว่าเราจะแบบ ไม่พยายามไปเปลี่ยนอะไรแล้วเราก็กลับไปเป็นเพื่อนกันเหมือนเดิมอะไรเงี้ยแต่แบบทุกครั้งที่คิดมันก็จะเป็นความรู้สึกทุกข์ใจค่ะพระอาจารย์แล้วหนูก็เลยมารู้สึกว่าโอ้ยอยาไปทำให้ตัวเองทุกข์เลยถอยออกมาเถอะเลยก็เลยรู้สึกแบบ ไ, ไม่พร้อมก็ไม่เป็นไรก็ข้างหน้าจะมีใครที่เขาไม่พอใจเราเขาก็อาจจะถอยออกจากเราไปก็ได้แต่ถ้าเราไม่ยึดติดใช่ไหมล้วก็เราก็จะไม่เสียใจเข้าใจล่วขอบพระคุณนะคะพระอาจารย์เท่านี้แล้ค่ะส่ธาธุค่ะ อ่าตัว อ, อ่าคุณการชิดคนสุดท้ายแล้ววันนี้เปิดมาได้ยังอ่าพูดได้นะครับนักมาตราาการครัอาจารย์อ่ายังอยู่ใต้หวันอยู่เลยครับอใต้หวันครับเพิ่งต่อแท็บสามปีท้ายครับแต่ครบสิบสองปีแล้วครับครบกี่ปีสิบสองปีเล้วครับเหลือสามปีสุดท้ายครั บ, พร บ, รบเพิ่งต่อแถ็บหมครับอ๋อต่อสัญญาใหม่เลย ครับอืมก็ดีมีอะไรไหมไม่ต้องามาตามอาจารย์ครับต้องทํำนะโอเคก็ขอให้มีงานทําไปเรื่อยๆกันแล้วกันนะต่อไปได้เรื่อยๆครับได้ครับเมื่อกีแผ่นดินไหวครับอาจารย์ตัง้งสองทุท่มเมืองไทยสามทุ่มแผ่นดินไหวแรงครับเมื่อกี้นี่แหละครับประมาณชั่วโมงก่อนชั่วโมง อื嗯ยังคงจะได้ยินเค้าต่างช่องต่างๆมันมีการเจหจาอนะไรไหมไม่มีครับมีแต่ลงไปผมก็รีบลงไปข้างล่างนะครับเพราะว่าเราอยู่ชั้นสูงไม่มีตตกถล่มหรือไม่มีอะไรไ ม, ไม่ยังไม่รู้<ส>ไม่มีรายงานอยู่ครับยังไม่มีรายงานโอเคขอให้ทุกคนปลอดภัยนะครับโอเคใช่จะลาส่งไปอ่าทราบถึง ไปดิกลาตากลามีคำถามไหมวันนี้กราบนมัส ก, การค่ะพระอาจารย์มีทั้งหมดสามคำถามจากทางเฟซบุ๊กเจ้าค่ะกราบนมัส ก, การพระอาจารย์ครับเวลาพิจารณากายผมต้องเลือกพิจารณาอาการสามสิบสองให้ชํานาญแค่ไหนก่อนที่จะไปพิจารณาธาตุสีครับหรือสามารถเลือกพิจารณาแต่ธาตุสีได้เลยครับคือมันเป็นโจทย์ครร ย, ยานะไง คือมันแก้แก้แก้ความหลงตัวอะไรอย่างกันพิจารณาอาการที่สองเพื่อแก้ความหลงที่ไปเห็นร่างกายว่าสวยงามน่ารักน่าชมนถ้าเราพิจารณาจากถ้าเราไม่มีความรู้สึกว่าร่างกายน่ารั ก, น, รกน่าชมแล้วเราก็หยุดได้ส่วนเรื่องพิจารณาธาตุสี่นี่เพื่อให้เห็นว่าไม่มีตัวตนในร่างกายเป็นเป็นเหมือนร่างกายเป็นเหมือนหุ่นยนต์เป็นเหมือนต้นไม้ดีๆนี่เอง ที่มาจากมาจากดินน้ำลมไฟสร้างมันขึ้นมาเราเป็นใจผู้มาใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือเท่านั้นเองอันนี้ก็เป็นอีกโจทย์หนึ่งไม่นอีกคาถามหนึ่งแล้วก็อีโจทย์นึงก็คือร่างกายมันไม่เที่ยงมันเกิดแล้วมันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายอันนี้ก็เป็นอีกโจทย์ที่เราต้องพิจารณาให้เห็นแล้วยอมรับมันให้ได้ไม่ทุกข์กับมัน คำ ถ, ถามต่อไปการพิจารณากายถ้าไม่ได้มีความกำหนัดยินดีในกายของผู้อื่นเรากำหนดพิจารณากายของตนเองอย่างเดียวเพียงพอไหมครับจริงๆถ้าเราไม่มีความกำหนัดยินดีกับร่างกายของเราเราก็ไม่ต้องพิจารมันก็ได้นอกจากว่าเรายังหลงว่ามันยังหลงรักมันยังชอบมันถึงแม้เราไม่ชอบร่างกายของคนอื่นเราอาจจะชอบร่างกายของเราก็ได้อยากให้ร่างกายของเราสวยงามมี เรากำลพิจารณามันไม่สวยงามหรอกอย่าไม่อยากทําทให้มันสวยเลยบางคนต้องไปทําสัญญกรรมต่างๆอันนี้ถ้าพิจารณาเป็นอาการสารที่สองมันก็มันก็รู้ว่ามันเป็นการหลอกตัวเราเองหลอกคนอื่นที่เราไปทําสัญญกรรมทําให้ได้ต่างๆออกแต่งร่างกายของเราเราก็จะไม่ต้องทําสิ่งเหล่านี้ได้ คำถามสุดท้ายอขอพระอาจารย์เมตตาแนะนำวิธีการทำทานที่เหมาะสมตามหลักพระพุทธศาสนาครับการทำทานเป้าหมายแรกคือให้เราไม่ยึดติดอย่างเงินทองโดยเฉ่าะเงินทองที่เป็นส่วนเกินนำ เ, เงินทองที่เราต้องเก็บไว้ใช้เพื่อดูแลร่างกายเราอันนี้เราก็เก็บเอาไว้ถ้าเรามีเหลือเหลือกินเหลือใช้น้ว เราก็สละไปดีกว่าอย่าเ ก, ก็บเอาไว้อย่าไปใช้มันในการหาความสุขต่างๆเพื่อจะมรรดับความทุกข์เพราะว่ามันดับไม่ได้นะมันดับได้แบบชั่วคราวเราทุกข์ใจเราไปเที่ยวกันนี้ความทุกข์ใจก็หายไปชั่วคราวพอกลับมาจากการเที่ยวความทุกข์ใจก็กลับมาใหม่เงินอย่าใช้วิธีนี้เป็นการดับความทุกข์ใจมันจะทําให้เราต้องดิ้นรนทางเงินหาทองมาอยู่เรื่อยๆ หามาเท่าไหร่ก็ไม่พอใช้เราจะทําให้รับทุกข์กับการไม่มีเงินใช้อีกเป็นพยายามอย่าไปใช้เงินทองเป็นเครื่องมือในการหาความสุขถ้าอยากจะใช้เงินทองเป็นเครื่องมือหาความสุขก็เอาไปทําบุญทําทานอย่างนี้ได้ความสุขและไม่มีโทษไม่มีภยัยเป็นประโยชน์กับใจคําถามหมดแล้วเจ้าค่ะโอเคเมีเท่านี้นะสำหรับวันนี้